จเจริญพร <c oughs> ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมทุกทุกท่านวันนี้ก็เราก็ได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อสนทนาธรรมถามตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมใครมีความสงสัยหรืออยากจะสนทนาก็เชิญเข้ามาร่วมได้ เราก็จะไปที่เด็กชายนักคุณก่อนอเด็กชายนักคุณเป็นยังไงครับวันนี้ไปทําวีรกรรมอะไรมั่งหรืเปล่ากราบน้มาสการค่ะพระอาจารย์แม่ลูกกราบน้ำมาสการค่ะพระอาจารย์ใไปสร้างวีรกรรมอะไรมั่งหรือเปล่าวันนี้มีอะไรมากที่โรงเรียนเราอาจารย์ฟังที่โรงเรียนมีอะไรบ้าง คเรื่องอะไรเกดขึ้นมั้งคะทำพิซซ่าอ๋อทำพิซซ่าแล้วกินด้วยเปล่ากินพิซซ่าเปล่ากินนะอ๋อเก็บิครับแต่เก็บไว้กินพรุ่งนี้เหอไม่ได้กินลองกินไม่ได้ชิมดู ว, ว่าอร่อยไม่อร่อยนะอร่อยไหมลูกพิซ่าอ๋ออร่อยอออค่ะออืโรงเรียนเขมีสอนทำพิซซ่าด้วยเหรอ บอ ก, กอาจารย์ที่ดุดอ้เดี๋ยวนุ่มใช่ครับอืแล้วส่งมาใส่บาตให้น้องตามั้งวาทำไปตักบาตรอาจารย์มั่งเงินได้ไหมคะได้บอกใช่ครับใช่นะอย่าโกหกนะขอบคุณค่ะ <c oughs> จะอีกกี่วันเรจะไปญีุ่อีกกี่วันจะไปญี่ปุ่ น, อ, กก น, นอีกสิบวันไปญี่ปุ่นค่ะบอีกสิบวันไปญี่ปุ่นเอ อ, อไปเยี่ยมพ่อเลยแม่มีประชุมที่ญี่ปุ่นค่ะก็เลยเอาไปด้วยค่ะพระอาจารย์วันนี้มีคุณยายมาด้วยค่ะคุณยายคุณยายที่เป็นคุณแม่หนูเหรอแม่หนูค่ะปกติ แต่ฟังอยู่ข้างนอกคะ่ะวันนี้มาที่กรุงเทพก็เลยชวนเข้ามากราบพระาจารย์ด้วยค่ะสนใจบ้านอี่ไหนไอันใหญ่ค่ะอัสงขาสงขลาน ะ, อ, ะอยู่ไกลเหมือนกันเป็นแฟนขับพระอาจารย์เนี่ยเพื่แฟนขับพระจารย์ยรรตัวยงเลยอ๋อดีดีมากเป็นดีต้อนรนับวิญญูมีคํามีคําถามอะไรไหมอยากจะถามอะไรหรือเปล่า ค่อยเว้ยอ่านค่อยค่อยฟังเี่ออาจารย์ในทีวิตห้ศึกษาเขาแม่เขาชอบแชร์คำสอนพระอาจารย์ในเ c e b o o k เขาค่ะนี่เป็นเป็นการให้ธรรมะนะแบ่งปันธรรมะให้ต่อกันแล้วกันมีคุณค่ามีคุณประโยชน์ทำให้ช่วยบรรเทาความทุกข์ใจได้ถ้าใครกำลังทุกข์ใจอยู่มาได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วก็ก็อาจจะ ทำให้ความทุกข์หายไปได้ดีแล้วจะกลับบ้านมาานะเมื่อไหร่ปัญญยาปัญญากลางเรียนยยนี้จ้ะกลางเรียนนี้เจ้าค่ะอาจารย์เคยไปเยี่ยมลูกสาวที่ญี่ปุ่นั้งไหมไปค่ะไปอยู่นะโอเคก็ดีนะวันนี้มีอะไรัหมมีอะไรอีกไหม วันนี้ไม่มีคําถามค่ะพระอาจารย์ช่วงนี้นั่งสมาธิไม่ค่อยได้นะคะจิตมันฟุ้งก็เลยได้แต่ตอทำสติอยู่กับเนื้อกับตัวก่อนค่ ะ, ะงานมันเยอะมันต้องคิดมากใช่ค่ะพระอาจารยเ์เก็ต้องอบางครั้งนั่งสวดมนต์สักครึ่งชั่วโมงเอย่างนี้อ่ามันจะได้เบาลงถ้าไม่บังคับมันมมัันนไม่ไมทําเนาะค่ะ คือส่วนมนเช้ากับตอนก่อนนอนนะคะพระอาจารย์แล้วก็นั่งสมาธิเป็นปกตินะคะแต่ว่ามันคุมสติไม่อยู่เลยค่ะมันฟุ้งไปหมดเลยะคะ่ะอ่เก็เพราะว่าเวลาเราทำงานเราเผลอเราปล่อยให้ใจเราคิดไปกับงานค่ะเป็นปัญหาของคนทำงานอ่ะค่ะ ทำงานกับปฏิบัติทํามันคนละทางกันปฏิบัติทรรมันเหยียบเบรกทํางานมันเหยียบมันเหยียบคันเร่งมันก็เลยสวนทางกันทางบังคับพยายามจะไปเหยียบเบรกแต่เท้านี่ก็ไปเหยียบคันเร่งรถมันจะจอดได้ยังไงเหยียบทั้งสองข้างไงแล้วคันเร่งมันแรงกว่ามันแรงกว่าเบรกไง <c oughs> บางคืนเหนื่อยมากเลยค่ะพระอาจารย์บ อ, อกสวดมนต์กบว่าจะสวดมนต์แล้วก็เดี๋ยวค่อยลุกขึ้นมานั่งทําว่าสวดไปไม่รู้สวดถึงบทไหนคะหลับไปซะก่อนอก็อย่าเอาเล่ากับสภาพไปอย่าไปทุกข์กับมันก็แล้วกันตอนนี้เราเหมือนขับรถอยู่ใต้ทางหลวงค่ะพระอาจารย์ทําไปเท่าที่เราทําได้อย่าไปทุกข์กับมันก็แล้วกันค่ะพระอาจารย์จะพยายามค่ะ โอเคนะทำนั่งสมาธิแล้วก็สวดมนต์ตามที่พระอาจารย์บอกค่ะอืค่ะขอบพระคุณค่ะหรือเป็นพระร ก, กินนักินข้าวค่ะร่างกายต้องกินข้าวใจ ก, ก็ต้องกินธรรมะกินความสงบค <c oughs> ่ะพระอาจารย์น้อมนําไปปฏิบัติค่ะอือ่าไปที่เจ้าแม่กับเจ้าที่กราบนมัสการพระอาจารย์ครับ แต่งจากนเา เ, เ น, นินเดียวอยากจะท่องตามเขาท่องแน่นแต่ไม่ต้องเปิดใบก็ได้นะท่องไปข้างในหรือจะตามก็ได้เปล่านะ่าวันนี้มีอะไรบ้างวันนี้ว่าส่งกันบ้านครับออย่างเดียวไม่มีรายงานอะไรเลยตอนนี้ยังไม่รายงานยังนั่งสมาธิอยู่หรป่านั่งอยู่ครับทุกวันหรืเปล่าทุกวันับเท่าไหร่สามสิบนาทีครับคอยจะถึงสามสิบให้รู้สึกดันดันไหมคอยจ้องคอยดูในาฬิกาอยู่หรือเปล่า ก็มีบ้างครับแต่อย่าไปดูเส็จไปให้ตั้งสติให้อยู่กับเสียอยู่กับพุโทโธอย่าไปดูนาฬิกาป่ะอืมเดี๋ยวถึงเวลามันดังอีกไม่ให่นาฬิกาครับอ่บบอย่าไปสนใจอย่สนใจอยู่กับพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปป่ะอาจารย์จะมีความสุขนะป่ะครับอ่วันนี้อย่าส่งการบ้านก็ว่ามา เรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่เป็นไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่งพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่งพ้นความตายไปไม่ได้เราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งวรเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้กล มีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติด ต, ตามมีกรรมเป็นที่เพื่อ ง, งาสายเราทํากรรมันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปเราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดยอมรับนะว่าเรามีกรรมเป็นของของเราเวลาเกิด อ, อะไรขึ้นมาก็ อย่าไปฝืน้นะถ้าแก้ไม่ได้ก็ถือว่าเป็นกรรมของเราไปก็แล้วกนะันครับอย่าไปทุกข์กับมันนะถ้ายอมแล้วมันก็ไม่มันก็จะไม่ทุกขนะ์ยอมรับผลของกรรมไปแล้วพิจารณาร่างกายอยู่หรือเปล่าพิจารณามีอะไรบ้างมีผมขนเ <c oughs> ล็บ ฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเกี่ยวในกระดูกเมาสหัวใจตับตับผื่นไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเกี่ยวในสมองศีรษะน้ำดีน้ำเสลน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงอน้ำมันข้นน้ำตา น้ำมนเหลว oh. น้ำลายน้ำมูน mm ้ำแข่ข้อน้ำมูดน้ำมูดน้ำแข่ข้อน้ำมูกน้ำลายน้ำมะเหลวน้ำตาน้ำมันข้นน้ำเงื่อน้ำเลือดน้ำเหลือน้ำสเลดน้ำดีแก้สมองสีสัอาหารเก่าอาหารใหม่ไส้น้อยไส้ใหญ่ปอด ไตพังผืดตับหอดใจม้ามเยื่อในกระดูกกระดูกเอ็นเนื้อหนังฟ<ม>ันและ่วนผมท<ม>ี่ให้ท่องอาการสามสิสองนี้รู้ไหมท่องเพื่ออะไรมีเหตุผลผลที่เราต้องการอยู่สองอย่างด้กันลองเดาดูเว่ามีอะไรบ้างที่ที่ท่อง<บ>อาการเป็นสางท่องไว้เพื่ออะไร เพื่อเห็นว่าตาทิ้งร่างกายไม่เห็นว่าร่างกายเป็นยังไงหน้าเกลียดหน้าเกลียดหน่าเกลียดไม่สวยงามนะงั้นห้ามมีเมียนะเข้าใจไหมมีเมียก็แสดงว่าไม่เห็นว่ามันหน้าเกลียดสินะหน้าหลักใช่ไหมจำไหมนะ นี่ข้อที่หนึ่ ง, งให้เห็นว่าน่าเกลียดไม่น่ารักรข้อที่สอง <c oughs> คืออะไร <c oughs> เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่เราใช่ไหมร <c oughs> เราไม่จะอยู่ในร่างกายนี้ใช่มไมไ ม, <c oughs> มีมีเราอยู่ในร่างกายไหมไม่มีมีตาการสามสิบสองใช่ไหมครับอืม งั้นเราไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจเวลาเกิดอะไรกับร่างกายเข้าใจไหมเข้าใจก็เราเป็นเพลงแต่ผู้รู้ก็รู้ไปว่าตอนนี้ร่างกายเป็นอะไรปวดท้องก็รู้มันปวดท้องเราไม่ได้ไปปวดกับมันนะนี่คื อ, อจุดหมายไปของการพิจารณาร่างกายสําหรับอาการฐารกนิสัยสองนี้มีอยู่สองสองอย่างในะการให้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่สวยงามอสอง ไม่มีตัวตนไม่มีตัวเราอยู่ในร่างกายอันนี้นะเราไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายเราไม่เราก็ยังเป็นผู้รู้อยู่เหมือนเดิมผู้รู้ผู้คิดอยู่เหมือนเดิม <c oughs> นะจําไวนะ้นะนี่ให้ท่องไว้เพื่อจะได้เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์เวลาเวลาร่างกายเป็นอะไรขึ้นมาจะได้ไม่ไ ม, ไม่ทุกข์ถ้าทุกข์แสดงว่าไม่ ไม่ไม่เห็นว่าร่างกายเป็นตัวเราไปเห็นว่าร่างกายเป็นตัวเราน ะ, ะนะเาทำใจเฉยๆเวนาร่างกายปวดท้องเป็นโรคอะไรขึ้นมาก็ทำใจเฉยๆนิ่งๆอย่าไปววายอย่าไปร้องผหร้องไห้ <c oughs> ทำได้ไหม <c oughs> ที่ทำสมาธิก็จะทำใจให้เฉยๆ กอการเฉยๆร่างกายจะเป็นอะไรเราก็เฉยๆไปนะเราถ้ามีสมาธิมีปัญญาเราก็เราก็หลดพ้นจากความทุกข์ที่เกี่ยวกับร่างกายได้แล้วแค่นี้นะฝึกสมาธิเยอะๆให้ใจเป็นอุเบกขาให้อยู่เฉยๆแล้วก็ร่างกายเป็นอะไรก็ปล่อยวาง ไม่ต้องไปวุ่นวายไปกับมันครับดูแลได้ก็ดูแลไปรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็แลไม่ได้ก็ปล่อยมันไปครับนะผู้ใจนะผู้ใจครั บ, รบมีคําถามอะไรไหมหนูมีนิดนึงแบบอาจารย์หนูรายงานการปฏิบัติอะคะ่ะของหนูก็คือนั่งสมาธิเดินจงกรมแล้วก็ฟังธรรอ่านหนังสือธรรมะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ ก็ทำไปเรื่อยๆคะ่ะเพราะจานเหมือนเราคาดหวังนะคะมันเลยกลายเป็นความเครียดแล้วบางครั้งเนี่ยนั่งแล้วมันเพงแล้วมันปวดหัวะค่ะมันเหมือนกับเราจะไปสอบอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราต้องอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้หนูก็เลยคิดว่ามันไม่น่าจะถูกทางนะว่าถ้าทําปฏิบัติทําไปแล้วมีแต่ความเครียดนะคะหนูก็เลยย้อนกลับมาว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราเอาแค่ฝึกสติดีกว่าทําอะไรแล้วก็ให้รู้ว่าเรากําลังทำเหมือนกําลังพูดก็รู้ว่ากําลังพูดอะไรแบบเนี้ยค่ะ เดินก็รู้ว่ากำลังเดินแต่ว่าจะเคลื่อนไหวให้ช้าลงอค่ะถ้าเร็วแล้วมันจะเหมือนอัตโนมัติไปอะค่ะแล้วมันตามไม่ทันอ่ะก็ดีขึ้นอ่ะพระอาจารย์ค่ะออกสตจก่อนค่ะเไว้วางใใจเฉยก่อนคแล้วเวลาทำอะไรก็ทำไปผลจะออกมายัางไงก็เป็นเรื่องของผลไม่เกี่ยวกับเราเรามีหน้าที่ทำเหตุก็ทำไป นั่งสมาธิจิตมันจะเน่งเราไม่เน่งก็เป็นเรื่องของเรื่องของสติเราก็ทำสติของเราไปแล้วสติมันดีมันก็เน่งสติไม่ดีมันก็ไม่เน่งอย่าไปอย่าไปคิดว่าตอนนี้นั่งต้องสงบ ต, ต, ต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้มันเป็นมันผลมันอยู่ที่เหตุถ้าเหตุมันเป็นผลมันก็เป็นเองถ้าเหตุนไม่เป็นมันผลก็ไม่เป็น อย่าไปคาดอยไปหวังกับอะไรไม่มีอะไรแน่นอนอันนี้จาทุกขังมนนตาให้คิดอย่างนี้บ้างเข้าใจไหมเรา จ, จะไม่เครียดยินดีตามมีตามเกิดมากน้อยสันโดษันโดษยินดีตามมีตามเกิดแต่การปฏิบัติจะเป็นมากน้อย mm hmm. เห็นนี้ต้องพยายามสร้างให้มากๆแต่ผลนี้ต้องแล้วแต่เหตุ นะเราจะไม่เครียดเข้าใจนะเข้าใจคนะ่ะอ่าไปที่น้องพีครับขอบคุณอา จ, รจารย์น้องพีมีอะไรไหมครับแต่ละมคตรการนะคะวันนี้หนูมคีคำถามว่าเออหนูน น, นมีเอ่ออะเรตรงมีเดี๋ยนะี หนูมารายงานผลที่ห ล, ลงตาสอนหนูครั้งที่แล้วครับเรื่องอาที่ชวนที่ชวนให้เป็นหมาอะครับ <c oughs> ก <c oughs> ็ก็เพื่อนเพื่อนเวลาหนูคุยกับคูใช่ไหมคะว่าว่าแบบ่หนูก็พูดพูดตามตามที่สิ่งที่หนูรู้แต่แต่เพื่อนที่ ไม่ค่อยที่ไม่ค่อยชอบหนูเขาก็จะแบบถ้าเป็นเหมือนแบบปราชดหนูว่าแบบหนูแบบรู้มากพูดเี่ยอย่างนี้หนูก็ไม่สนอะไรหนูก็พูดต่อทําเป็นเขาเป็นเขาเป็นอากาศแล้วก็แล้วเขาก็แล้วเขาก็หยุดพูดไปเลยดีมละ่ะดีค่ะเราต้องทำนะให้เราสบายใจไม่ไปวุ่ไม่ไปวุ่น ว, วายกับเขา เขาจะทําอะไรเราไปบังคับเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้ปว่อยเขาทาไปเขาอยากจะทําเป็นดิงหลอกเจ้าก็ปล่อยเขาเลยทาดิงหลอกเจ้าเขาอยากจะดูถูกดูแคแลเราก็ปล่อยว่าดูถูกไปห้ามเขาไม่ได้รักษาความนิ่งไว้เฉยๆไว้แล้วเราจะสบายใจ มีอะไรไหมไม่มีค่ะนกจะหนูจะอาทิตย์ที่แล้วหนูต้องของกระทานกาบกระทานมาเพยเจ้าค่ะเข้ามาไม่ทันเลยไม่ได้กาบมุทิตาหลวงพ่อก่อนเลยเจ้าค่ ะ, ะไม่เป็นไรแล้วมันก็เป็นเรื่องของนรมนยมมา เ, มาเพงนี้ไป เสนอก็ทำไม่เสนอก็แล้วไปพขามาไม่ทันประดีติดเรื่องวุ่นวายอะไเข้ามาไม่ทน mm. ันเข้าเข้าใจว่าจะเข้ามามทานัน mm. เข้ามาเอา mm. น้องพี่พูดจบจบแล้วก็เลยเลยไม่ได้กัน mm. oh. อย่างนี้น้องพี่หั น, นั่งสมาธิทุกคืนด้วยนะน้องพี่น้องพีจะไดวังจะทําใจเฉยๆได้เพื่อน mm. ก็ทําอะไรเราเราจะได้ไม่ไม่ไปวุ่นวายกับเขาไม่ไม่ยอมนั่งอะคะ่ะพี่พ่อ ได้จะส่วนมนต์บ้างไม่ส่วนมนต์บ้างค่ะตามวนมนต์ก่อนส่วนมนต์สักเสร็จส่วนมนต์เ ส, ส, ส่ก็นั่งต่อยสักสิบนาทีสิบห้านาทีรับปากตาม ไ, <ป>ไหมค่ะรับปากนะมีวีดีโอนะคะเราเราเราเพยได้นะครับ <laughs> แล้วแล้วต่อไปเวลาใครก็พูดอะไรก็ทําอะไรเราก็เฉยเฉยเราก็เฉยเฉยได้ เราห้ามเไม่ไดนะ้เราอยู่ในโลกที่เราจะต้องเจอกับสิ่งต่ตางๆทั้งที่เราชอบและที่ทเราไม่ชอบนะถ้าเราทําใจเฉยเนื่อยใจเราก็จะไม่วุ่นวายถ้าเราทําใจเฉยไม่ได้เดี๋ยวเราก็ไปวุ่นวายกับสิ่งที่เราชอบไม่ชอบนะครับนะนะโอเคเหมือนแล้วใช่ไหมค่ะโอเคนไปที่ตะวันต่ออากาศนะ ม, นมาตร ก, การค่ะ เอกชายตะวันขอบคุณแม่อยู่เนเธอ ร, ร์แลนด์กราบมัสการพระอาจารย์ครับมีคำถามไหม uh, Happy birthday uh, ้อ n หลังพระอาจารย์ครับอ๋อ oh, thank you thank you uh, วันนี้แค่มีหนึ่งคำถามครับอ uh, ๋มามาทำไมมาเป็นดีจ้านาฬิกาปลูกมัน uh, ดังผมต้อง uh, ตื่นในหนึ่งครั้งเลยครับ อะไรก็ไมให้ตื่นในหนึ่งครั้งเอ่อว่าถ้าผมได้เล็งเชียงผมก็เอาูกขึ้นครับก็แปว่าหนูมีสติมาสติดีพอได้เลงเชียงนาฬิกาสติก็สั่งให้ร่างกายลุกขึ้นเลยถ้าสติไม่ดีก็งอแ ง, งงอยงยังหลับอยู่ก็ดีเพระาะว่าเราตั้งนาฬิกาเพื่อให้เราให้เราตื่นใช่ไหม วันนี้เรปุกแล้วก็ต้องรีบเติมขึ้นมาเลยเราจะได้ไปทำสิ่งที่เราต้องการจะทำได้ได้ตามเวลาที่เราต้องการถ้าเราโอเอโอเออยากจะข อ, อนอนต่อยก็ห้านาทีสิบนาทียังก็ไม่ทันการยังไม่ทันเวลาที่เราจะไปทำสิ่งที่เราต้องการจะทำแสดงว่าหนูมีสติหนูพร้อมตั้งใจแล้วพอได้ยินเสียงนาฬิกาก็ลุกเลยแสดงว่ามีความตั้งใจ จะทำอะไรสาหร็บต้องมีความตั้งใจไว้ก่อนตั้งใจจไม่พูดปดตั้งใจจะไม่ขโมยของของคนอื่นต้องมีความตั้งใจไว้ก่อนพอเวลาจะไปขโมยของว่โอ้ยเราทาไม่ได้เราตั้งใจจะไม่ขโมยแล่ะต้องต้องต้องหัดตั้งใจไว้นะตั้งใจไว้ว่าเราจะทำอะไรไม่ทำอะไรตั้งใจจะรักษาศีลห้า จะไม่ฆ่าสัตว์จะไม่ลักทรัพย์จะไม่พูดปดอีกสองข้อไม่ต้องกังวลเอาแค่สามข้ออีกสองข้อเป็นของผู้ใหญ่แล้วพอถึงเวลาจะไปฆ่าสัตว์โอ้เราฆ่าไม่ได้เราตั้งใจจะไม่ฆ่า <c oughs> เวลาจะไปลักทรัพย์ของผู้ลักเอาของบางคนเนึงก็ไม่เอาเราไม่ได้ไม่ใช่ของของเรา เวลาจะพูดเปดิดเน้ะพูดเปิดไม่ได้เอไม่พูดถ้าพูดความจริงไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดอะไรก็ได้เฉยๆไปเขาถามแล้วเราไม่อยากจะตอบเราบอกไม่อยากจะตอบอย่าไปอย่าไปพูดปดเข้าใจไหมเข้าใจครับอนะความตั้งใจนี่สําคัญตั้งใจแล้วต้องมีความจริงใจตั้งใจเราไม่เปลี่ยนใจ ไม่ใช่พอถึงเวลาเปลี่ยนใจยาวของคนอื่นแล้วเปลี่ยนใจตั้งใจจะไม่ขโมยก็แต่งของที่เราชอบอยากจะได้แล้วก็เปลี่ยนใจอย่างนี้ก็ตั้งไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรตั้งใจแล้วต้องไม่เปลี่ยนใจนะเราให้ความจริงใจกับความตั้งใจของเราเข้าใจไมเข้าใจครับ วันนี้เป็นธรรมะทั้งครอบครัวเลยนะทั้งพอ่อทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะสาธุค่ะพระบ้ขอให้เป็นเช่นนั้นตลอดไปด้วยค่ะรเาก็ไม่มีอะไรแน่นอนทีน่จำใช่ค่ะ <laughs> ก็เอาว่างไปวันต่อวันก็แล้วกันอย่าไปคาดหมายอะไรมาก <laughs> ก็ให้มีความคิดว่ามันก็ไม่มีอะไรแน่นอนอ ว่ามันมีอาจจะมีเหตุมีเหตุปัจจัยหลายอย่างที่อาจจะทําให้เปลี่ยนไปก็ได้แต่เราก็ให้เรามั่นใจมั่นคงในตัวเราก็แล้วกันส่วนก็เลยเราไปควบคุมบังคับก็ไม่ได้แต่ตัวเราเองเรายังมีความมั่นคงในตัวเราเองได้หรือไม่ไมันสำคัญกว่าเพราะตัวเราเราควบคุมได้บังคับได้ แต่คนอื่นเราไม่ครบคุมบางข้ากเขาไม่ได้บางทีการกา ร, ระจนกับความทุกข์มันก็ดีอย่าง น, นะคะพระอาจารย์มันได้อ่มันเหมือนมันล้มแล้วแล้วพ อ, อผ่านไปได้เนี่ยมองย้อนกลับมาเนี่ยมันก็อสอนเราแล้วก็ทำให้รู้สึกว่ามันมันได้แข็งแกร่งขึ้นนะคะพระอาจารย์ก็เลยปัญญาทุกทุกบ่ามีปัญญาบ่าเกิด แล้วกิทุกข์แล้วมันต้องใช้ปัญญามาแก้อืมค่ะส่วนคนรอบข้างก็เหมือนว่าเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสด้วยค่ะพระอาจรย์เปลนวิกฤเป็นโอกาสถือว่าเป็นข้อสอบอเป็นข้อสอบอา ข, ออบอข้อสอบของชีวิตก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราในแต่ละวันเป็นข้อสอบว่าเราจะผ่านแบบสบายแล้วผ่านแบบวุ่นวายอืม อย่างถ้าเกิดเหตุการณ์ในฝันเนี่ยจะถือว่าเป็นเป็นข้อสอบล่วงหน้าได้ไหมคะพระอาจารย์สมมติเกิดเหตุการณ์ในฝันแบบนี้คะ่ะพระอาจารย์จะถือว่าเป็นข้อสอบได้ไหมคะพระอาจารย์มันก <c oughs> มน็มันอาจจะเป็นตัวบ่งชี้บอกว่าเราเราทําได้เราทําไม่ได้ก็ได้เพราะในฝันมันจะต้องผ่านหรือไม่ผ่านถ้าไม่ผ่านมันแสดงว่าเอาองจริงคงจะไม่ผ่านะเว่า <c oughs> จิตเราคิดแบบนี้อยู่ แต่ถ้ามันผ่านเราก็รู้ว่าออของจริงมันต้องผ่านอค่ะถ้าเป็นเรื่องความตายอย่างนี้ค่ะพระารอาจารย์ในฝันไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามมันทุกข์หรือไม่ทุกข์ปล่อยหรือไม่ปล่อยยอมหรือไม่ยอมแล้วมันยอมก็อ่ะถ้าเรายอมในฝันได้พอเจอของจริงมันก็เหมือนกันใช่ไหมแล้วเพราะมันจะเห็นว่าเวลาปล่อยใจมันสุขใจมันสบาย ใจใจที่ร้อนที่วุ่นวายใจก็สงบลงนันที่เวลาเราปล่อยเรายอมนั่นเอ ง, อ ง, งความฝันในวันจะเป็นตัวบอกบอกถึงการปฏิบัติของเราว่าเราปฏิบัติไปถึงไหนแล้วอย่างอ่นามรณารูสติบางทีถ้าพิจารณาบ่อยๆมันก็มีความฝันขึ้นมานะคะเรื่องความตายเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็ อย่างอาซูพะอย่างนี้บางทีมันก็มีความฝันเข้ามานะคะพระอาจารย์อย่างบางทีเรื่องอย่างบางทีตอนนั้นเริ่มพิจารณาอาหารใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็ฝันถึงพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์เข้ามาเอมาบอกโยมว่าทําแบบนี้แบบนี้แบบน่าอะไรแบบนี้ค่ะพระอาจารย์บางที <c oughs> บางทีในฝันอย่างบางทีถ้าสมมุติว่าฝันถึงพาาาระอรหันต์อย่างนี้ค่ะพระอาจารย์อันนี้คืออคือคื อ, คอจิตก็แปลว่าจิตมันยังอยู่ในกุศลใช่ไหมคะพระอาจารย์แต่ถ้าบอกว่าท่านมาในฝันจริงๆอันนี้ ก็อาจจะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะพระอาจารย์แต่บางทีเราฝันถึงพระอรหันอย่างเนี้ยค่ะพระอาจารย์ก็มันก็อาจจะเป็นได้แล้วเป็นไปไม่ได้มันอาจจะเป็นความคิดของเราเองหรือมันอาจจะเป็นท่านเข้ามาหาเราก็ได้อือย่างนี้คือพระอาจารย์เข้ามาหายกในฝันช่มอ๋ น, นี่คงจะคิดไปเองมากกว่าเพราะเราไม่เคยไปไหน ถึงพระอาจารย์มาในจริงพระอาจารย์จะบอกแล้วว่าพระอาจารย์มาจริงๆพระไซก็คงจะไม่บอกเขาพระอาจารย์ม า, อ, าอันนี้เราพูดจริงยอะไรากระหอกตรงไหนเราไม่ได้ไปไหนเ้วก็อยู่ที่นี่ตลอดเวลามัานใหญ่ความฝันมันเป็นความคิดของเรามากกว่าไอ้ที่จะมีพระพุทธเจ้าพระอาจารย์หรือใครมาหาเรานี่มันยากเพราะมันไม่มีความผูกพันไม่มีการเกี่ยวดองกัน แต่ถ้าอาจจะเป็นอพ่อแม่พี่น้องที่ตายไปก็อาจจะมาเข้าฝันเราก็ได้อันนี้อาจจะพอจะว่าได้เพราะมันมีความผูกพันกันอยู่เกี่ยวดองกันอยู่แต่ก็อาจจะเป็นความความคิดของเราคิดไปก็ได้มันเป็นได้ทั้งสองทางนะถ้าเราไม่สามารถพิสูนน์ได้ก็เราก็ต้องอยากไปตัดสินใจว่าเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็รู้ไว้ใช่ว่าใส่วาใส่บาแบาร้างไปก็แล้วกัน หมาถึงที่ผูกพันกันที่ข้อฝันอย่างโยมมีเพื่อนคนหนึ่งนะคะพระอาจารย์สนิทกันเขาเสียไปปุ๊บอ่าไม่นานเขาก็มาแต่คิดว่าเขามาในฝันเพราะว่าได้คุยตอบโต้กันนะเจ้าขาพระอาจารย์อ้าทางที่ดีต้องมีอะไรพิสูจน์ว่าเขาเขาเป็นของจริงเช่นเขาบอกเขาลืมของไว้ในตู้ตรงไหนมาไปเช็คดูขึหน่อยในฝันโยมถามเราว่าอ่อขออภัยค่ะพระอาจารย์คือในฝันโยมถามเขาว่า อ้าวเพื่อนชื่อปิ่นใช่ไหมเขาบอกว่าอา้าว้ปิ่นนี้แกสเสียไปแล้วไม่เช่หรแกมาได้ยังไงเขาก็ไม่พูดอะไรเขาก็พายโยมไป น, นั่งแล้วก็เล่าสิ่งที่เขาเล่าเล่าเหตุการณ์ที่เขาประสบก่อนที่เขาจะเสียนะคะพระอาจารย์เขาเล่าให้โยมฟังในฝันนะคะพระอาจารย์ น, นี้คือ ท, ที่ที่ประสบมาะคะ่ะก็อาจจะเป็นไปได้หรือไปไม่ได้แต่จิตโยมว่ามันใช่อะว่าว่าว่าเขามามามาหาอย่างนี้ค่ะพระอาจารย์ก็ต้องพิสูจน์อย่างชัดเจนว่าเป็นความจริงเนี ผสมอ่ะเขาคงไม่ให้โยมอะค่ะพระอาจารย์เขาคงเก็บมาให้ลูกคขาค่ะพระอาจารย์อือเออพราาะอาจารย์ค่ะเมื่อเอาย้อนกลับไปเมื่ออซูมครั้งที่แล้วที่พราาอะอาจารย์ให้แค่เแง่คิดในเรื่องของการพิจารณาอาหารนะคะว่าที่ว่าเข้าไปในปากปุ๊บแล้วก็ผสมกับน้ำลายแล้วก็พุ่งออกมาเนี่ย แล้วก็จะทานเขากลับเข้าไปลงไม้ยมก็เลยไปท้าเจ้าตะวันนะคะพระจานทร์ว่าหนูทําได้หเปล่าพระจันทร์เขาทำได้เขาทานอาหารแล้วก็บ้วนออกมาเขาก็กลับเข้าไปต่อใช่ไหมคะพระจันทร์ยมก็ท า, เ, า, ทาเขาว่าเอาางนี้แล้วของแม่หนูทําได้ป่ะเดี๋ยวแม่เอาเข้าปากแล้วหนูบ้วนให้หนูกินได้หรือเปล่าพระจันทร์เขาไม่เอาโยก็บอกว่าเอาตอนหนูเด็กๆอะ แม่ก็ทําอ่ะบางทีแบแบว่าใช่ไหมเออบทให้หนูกล่องเขาปากมาแล้วก็ป้อนให้หนูหนูก็ทำได้แต่ตอนนี้ทําไม่ได้แล้วละ่ะแต่ตอนนี้กินของได้แล้วกินนมแม่แได้ใช่ตอนเด็กกินได้ตอนนี้กินไม่ได้แล้วล่ะตอนนี้กินไม่ได้แล้วรังเกียจรังเกียจแต่้การไปท้าทายกันนี้มนะันก็อาจจะเป็นเกเลนได้ที่เขาต้องทําให้ได้เพราะทํำเพราะอยากจะทําเพื่อ เพื่อให้เกิดความขยะขยังในอาหารแต่มันทำเพราะว่าอะเมื่อเขาท้าเราให้ทำเราก็ต้องทำให้ได้ใช่ค่ะได้ไหมใช่ใชค่ะประาจารู้ทันใช่ไห ม, มรู้ทันนี้ว่าทำได้นะกี่ของอตัวเองได้อราดูตอนที่เรากินอาหารอยู่ดีๆแล้วถามว่ามันเร็อรอร่อย้องคลายออกมาดูแล้วตักเข้าไปกินใหม่ดูดิ เที่ไม่มีไม่เป็นพิสูจน์ให้ใครไม่ไม่มีใครมาท้าทายเราเราท้าทายตัวเราเองเพื่อเราต้องการที่จะตัดความอยากกินอาหารชนิดนั้นไปเป้าหมายตัดความอยากแต่กินได้แต่กินไม่ได้ไม่ได้กินด้วยความอยากกินเหมือนกินยาไปต่อไปเวลาจะมีอาหารช น, นิดนี้กินหรือไม่กินเราก็ไม่เดือดร้อน เราอยากกินเราพอคราวหน้าเจออาหารเช่นนี้ก็อยากจะกินอีกพาชานเมื่อก่อนนะโยมจะมีความรู้สึกว่าถ้าไปกินอาหารดีๆแล้วก็เอามาถ่ายรูปอวดนะ่ะรู้สึกว่ามันเท่รู้สึกว่ามันแบบมันมันเป็นหน้าเป็นตาแบบนี้ค่ะแต่ตอนนี้คือไม่ทำแล้วค่ะเพราะไม่ความรู้สึกว่ามันมันมันโงม่มากมันโง่ไมครับนาะ จริงจริงยิ่งพิจารณาปุ๊บอะจากนั้นมันก็มันก็หลายปีก็คือว่ามันไม่ได้แบบอยู่ดีๆมันจะมามามาหายปุ๊บไปเลยอ่ะมันมันต้องอ่อสติสมาธิปัญญามาต้องคิดต้องต้องค่อยๆทําไปคือมันต้องเห็นความโง่ของตัวเองความวุ้นไปทําเพื่ออะไรวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์บางทีหน้าตามันตกแต่งมาปุ๊บอะบางทีถ้าคิดดีๆปุ๊บอะที่ตรงจริตของโยมเนี้ยบางทีมันเออมันไม่น่าไปทําเนอะมันอะไรมันไม่ได้สาระอะไรขึ้นมาเลยอะค่ะพระอาจารย์ ก็เป็นความหลของคนในโลกไงการกินอาหารนั่งทีมันต้องมีอะไรมามามาเล่าน้ําน้ําลายเห็นแล้วน้ําลายไหลอย่างอยกจะกินถ้าทําอาหารมาดูแบบไม่น่ากินไเละเทะๆๆมันก็ไม่มีใครอยากจะกินอั่นีค่ะผ้าผ้าจานอันันเป็นเรื่องของกิเลสเรื่องการมาฉันทะแล้วมันก็อวดด้วยนะคะผ้าจานอุ้ยยิ่งกับอืมีอวดลงภาพอะไรแบบนี้คะาาา่ะรคไปดินเนอร์ที่ นอมังนอมังได้กลีวอะไรเงี้ยนอมันได้กลีวอีนา่าอันนี้โยมพูดถึงโยมตัวเองเมื่อก่อ น, อนมันเป็นตอนนี้มันมันไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ว่ามันลดมันไม่เป็นแต่ว่าแต่ว่าถ้าคนอื่นเขาทําก็ไม่ไม่ได้ไปตําหนิครับเพราเราก็เป็นมาก่อนอย่างเนี้ยคะ่ะพระาอาจารย์พอเราศึกษาธรรมมากขึ้นมา ก, กาขึ้นเราก็จะแห่งความหลงมากขึ้นมากขึ้นไปเองเพราะว่าอาหารนะหน้าตาของอาหารนะโยมลองคิดดีๆเพราะว่าภักหลังโยมจะมาคิดเรื่องอาหารเยอะค่ะพระอาจารย์มันก็เหมือนตัวร่างกายของคนเหมือนกันนะคะพระอาจารย์ ทาแต่งหน้าแต่งตัวแต่งหน้ า, หนาเหมือนอาหารเปเลยค่ะพระอาจารย์เพราะว่าคืออ ม, มาคิดดูอะพวกประดับตกแต่งอาหารเหมือนแต่งหน้าแต่งตาอย่างนี้ยค่ะพระอาจารย์บางทีมันก็นมั น, ม เ, นเหมือนกันเ<ม>ด๊ะเลยค่ะพระอาจารย์แล้วโยนเอามาโยงกันปุ๊บเนี่ยเออมันใช่จริงๆค่ะพระอาจารย์ค่ะอย่างประกวดนางงามเมื่อค่อนโยมวิดไว้กระตู้หูค่ะพระอาจารย์อยู่นี้ว่าเธอกับฉานมันก็คล้ายๆกันนะก็คือแบบ มันก็ลงศพดีๆนี่เองอะเพียงแต่ข้างในมันก็เน่าปเปิดอาจารย์ศพที่ยังเดินได้ศพที่ยังหายใจได้ค่ะอืเมื่อก่อนโยมีไอดอลกับพระอาจารย์เป็นดารากิจการมากเดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วเ <laughs> ดี๋ยวนี้เฉยๆมากเธอกับฉันก็เหมือนกัน น, ว <laughs> วนั่นแหละเมื่อกอนโยมาแซวคุณหมอก็ว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าดาราคนนี้มาเชืเลือกดารานะแต่เดี๋ยวนี้ยเหมือนกันแหละดูว่าใครมีคุณธรรมมากกว่าเชืเรื่องคนนั้นแหละ อ่าใครใจดีกว่ากันดีกว่าตอบคนใจดีจดีกว่าได้กับพระอาจารย์ดูที่ใจนะต่อไปเราดูคนเราไม่ดูที่รูปร่างหน้ า, นาตาเราดูที่ใจว่าเขาเป็นมีความเมตตาหรือไม่เขาเปความซื่อสัตย์สุจริตหรือไม่หน้ตาตาจะขี้เหลวยังไงแต่ถ้าใจสวยงามก็ครบได้อย่างสนิทใจแต่ถ้าหน้าตาสวยงามรอแล้วแต่ใจไม่ ไม่ดีนี่มันคบไม่มันคบ ไ, ไม่ลงคบไงคบไม่ลงจริงๆแล้วการที่เรารเเลังเกียจลังเกียจคนที่เขาไม่มีคุณธรรเราไม่อยากคบเขาอันนี้มันไม่ใช่มารนะ่ะใช่ไหมคะพระอาจารย์เราเราคือมันเป็นสิทธิ์ของเราที่เราจะเลือกคบคนใช่ไหมมันเป็นเหตุผลอะ่ะมันเป็นเหตุผลอะ่ะของที่มันเป็นอันตรายกับเราเราก็อย่าเข้าไปใกล้มันถ้าเป็นระเบิดนี่เราจะไปเข้าใกล้มันไหมนั่นแหลคนที่ไม่ดีเขาก็เขาอาจจะทำร้ายเราเมื่อไหร่ก็ได้เราจะไม่รู้เลย เราก็ต้องระมัดระวังคือเลี่ยงได้ไม่ไปคบได้ใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็พระเจ้าสอนให้เลือกคบคนไง <c oughs> ใคร้คบคนดีอย่าไปคบคนไม่ดีเ <c oughs> จ้บอกว่าถ้าเราไม่สามารถหาคนคบคนที่ดีกับเราเรื่องดีเท่าเราได้ก็อยู่คนเดียวดีกว่าเพราะว่าคนที่ไม่ดีเขาก็จะนึงเอาไปในทางที่ไม่ดีแล้วดีไม่ดีเขาจะมาทำร้ายเราเรยที่เราม่รู้สึกตัวองมาหลอกลวงเราเรื่องทาอะไรที่เป็นภัยกับเราก็ได้ ยังต้องรู้จักคบคนรู้จากเลื่อกคนต้องดูที่จิตใจอย่าไปเดือที่ทรัพย์สมบัติเช่าของเงินทองคนมีทรัพย์เยอะๆนี่ขี้โกงก็ใจ ย, ยังขี้โกงอยู่ก็มีนะนนเราเดินเราคิดไ้พรามีเงินขนาดนี้แล้นนายังยังจะมาขี้โกงทำไมแค่นี้มันเป็นนิสัยอ่ะมันพอมันได้ขี้โกงต้องเสือมันมีความสุขอ่ะคนที่มัน มีนสัยขี้โกงมันนก็ขี้โองเพื่อจะได้ให้มันมีความสุขใจมไม่ใช่อยู่ <ปะ S 1> ที่ว่าเขาไม่ทรัพมากทรับน้อยเมื่อก่อนโยมเคยคิดนะคะพะอาษาเรืร่งองการเมืองเมื่อก่อนเนี้ยก่อนที่จะมาได้มาศึกษาทําคือว่าโอ้ยเขามีเลือกคนเนี้ยเขามีเงินอยู่แล้วอ่ะไม่น่าจะมาคารับชันิหรอกเพราะเขามีอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วอันนี้คือมันเป็นความความโง่องของเราเองว่าไม่ไม่เกี่ยวเพราะว่ากินจักพอใช่กินเหนืนั้นคนที่มีเงินเยอะแล้วมาทําความดีก็มี เขาไม่อยู่ที่ใจเขาเพราใจเขาโกงหรือไม่โกงใจใจเขาโลภหรือไม่โลภตา่างกันตรงนั้นเหมือนคนที่มีภรรยาสวยปนานนาคาใช่ไหมคะพระอาจารย์กรู้ลักพอจะไปหาอีหนุ่มไม่อีกอย่างนี้ใช่ไหมคะโยนต้องรีบชิงพูดก่อนที่พระอาจารย์จะย้อนกลับมาที่โยน <c oughs> รีบชิงพูดตับดบทก่อนแล้วมันไม่มีความพอใจมันต่อให้มันได้ ใครกันว่าขณะมันมันอยู่กันบ่อยๆเห็นบ่อยๆซ้ำจำเจมันก็เบื่อล้ะอาหารที่เราชอบกินอาหารจานโปรดน้อยๆกินทุกวันหรือวันละสามมื้อดูเราประกันได้ไม่เกินเดือนหนึ่งไม่อยากจะกินมันจําเจมันซ้ํำซากมันไม่มีอะไรท้าทายเขาเนี่ยมันต้องมีของแปลงใหม่ๆคนหนึ่งมักจะทําอะไรพิสดารอย่พวกคนที่มีอะไรเยอะๆเนี่ย พอทําแบบปกติแล้วมันรู้สึกว่าไม่ท้าทายไม่ตื่นเต้นผมก็ เ, เอาลองของที่มันแปลกๆมันเป็นวิธีการหาความสุขของเขาใช่ไหมคะพระอาจาที่คิคดว่า ม, มันเป็นความสุขของเข า, าเขาไม่ได้คิดถึงปัญหาความอย่างก็อยากจะลองของแปลกๆใหม่ๆมาเรื่อยๆอาหาราก็เลือกกินของพิสดารม่เรื่อยๆก็เลยปวดพิสดารเนี่ย กินธรรมดาแล้วมันมันชินมันไม่มันไม่ตื่นเต้นเรามีเงินทุกอย่างอเราไปเปิดพิสดารดูด้วกินอะไรของนี่หา ย, ยางยากแต่บางที่มันกินไม่อร่อยซู่กินของธรรมดาทั่วไปมันอร่อ ย, อยกว่าเยอะแยต้องหิวข้าวสักสามวันอ่ะกินอะไรก็อร่อยหมดเลยคะ่ะข <c oughs> ้าวผ <c oughs> ู้ต้องฟังก็กินได้ <c oughs> ใช่ค่ะโอเคมีอะไรไหมว่ามีเพียงเท่านี้เจ้าค่ะอาจารย์ ขอประคุณพระชาด้วยค่ะสาธุบ้าสันโดดจากคุณยายคุณยายมาเล่าสันโดดทายไปไหนมากน้อยสันโดดไปสักการะพระอาจารย์ผมเดินจงกรมอยู่ข้างๆนี้แหละครับเดินจงกรมอยู่ทางคข้างนอกเนี่ยครับคุณยายสบายดีคุณยายสบายดีนะไม่สบายการเจ็บขา่ะ ไปหาหมอหมาดูให้วยไม่ใช่เจ็บขาครับอาจารย์คือคุณยายมีถ้าจะไม่ผิดเป็นอะไรไม่รู้งอกที่ตรงหัวไหล่ข้างซ้ายครยับผมต้องไปทำวันนี้ค่ะหมอบอกถ้าไม่หายก็ต้องผ่าตัดมันก็เจ็บๆมาแต่ก็อดว น, นกันจะกราบท่านได้ัสดียังเลือกอยู่ค่ะ <c oughs> เราต้องแยกแยกเราออกจากร่างกายร่างกายเจ็บเราไม่เจ็บนะก็พยายามมันก็มันก็ดูบ้างไม่ถูกไม่ถูกบ้างพุทโธพุทโธพุทโธจะช่วยเราแยกแยกล่างใจใจออกจากร่างกายได้ครับครับประจัน ก็วันนี้เข้ามาพาคุณยายมากลาวพระจารย์แล้วก็มาถามคำถามพระจารย <Okay. S 2> ์พอหลังๆ น, นี่เราเริ่มให้ความสําคัญกับการปฏิบัติประพอๆกับการเรียนหนังสือเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เจอคือมันเริ่มพูดกับคนคนแบบปกติไม่รู้เรื่องแนละ้วแม่จัมันเริ่มเหมือนแบบพูดเหมือนพูดกันคนละภาษาอชคนลนะแนวคิดมันลูกทุ่งกับ ล, ล, ล, ลูกกง ม, มันควยไม่รู้เรื่อง อันนี้คือผม <6 S 2> กับโลกครับอาจารย์ชธรรมะกับโลกเป็นคนละทางกันอย่าไปสนใจเรามาทางธรรมเราก็คบกับคนที่เป็นธรรมะดีกว่าสบายใจกว่าคนทางโลกเขาไปเขาอยู่ไปทางโลกของเขาไปอโอเคนะมีอะไรไหมอม่ไม่มีแล้วครับอาจารย์ก็ไม่นะฮะกร ะ, ะตุน้นคุณ มากราบอาจารย์ขอบคุณยายหายเจ็บภายไข้นะอยู่านานอยู่านานสาุุคุณหมอพิเชษเจ้นอกราบนรมัสการพระอาจารย์ครับวันที่สองพฤศจิกายนสองพัน้า้อยหกสิบเจ็ดขออนุอมกับบุติจาเจ็ดพระอาจารย์มีอายุครบเจ็ดสิบเจ็ดปีห้ 50, 000, สาสิบรรษาขอให้พระอาจารย์มีธาตุขันแข็งแรง และเป็นโล่หล่มใส่ให้กับญาติโยมทุกทุกท่านครับอาจารย์ยินดีรับใช้ทุกท่านครับ <c oughs> <c oughs> เรา<ด>ไปในสโลนนี้ขอความเมตตาพระอาจารย์ได้อธิบายสิ่งที่สําคัญที่สุดในใจพบครับอาจารย์ในใจพบค <c oughs> รับก็ใจเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าใจเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดใจเป็นผู้ที่ไปเวียนว่ายตายเกิด แล้วใจนี่เัาจะเป็นผู้ที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้อใจนี่ที่เป็นป ผ, ผู้ไปทุกข์หรือไปสุขก็อยู่ที่การจัดการของเรากับใจว่าเราจะจัดการกับใจอย่างไรอืเราก็ต้องศึกษาตามที่พระเจ้าทรงสอนว่าอะไรเป็นเหตุที่ทําให้ใจสุขอะไรเป็นเหตุที่ทําให้ใจทุกข์ พระเจ้าก็สานให้เราละเหตุที่ทําให้ใจทุกข์ให้สร้างเหตุที่ทําให้ใจสุขเหตุที่ทําให้ใจสุขก็คือการปฏิบัติทานสิ่งภาวนาเหตุที่ทําให้ใจทุกข์ก็คือตัณหาความอยากต่า ง, างๆถ้าเราสร้างทานสิ่งภาวนาขึ้นมาเราก็จะมีกําลังที่จะระงับความอยากต่างๆให้มันหมดซึ่งไปจากใจได้พอใจ นัรับความอยากแต่ดาวหมดสิ้นไปอยากใจได้ใจก็หลุดพ้นจากความถุกหลุดพ้นจากการที่จะต้องมาเวาียนว่ายตายเกิด น, นี่แหละคือประเด็นสําคัญที่สุดก็คือใจพระเจ้บอกให้สละอวัยวะสละทรัพยเพื่อรักษาอวัยวะสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตให้สละชีวิตเพื่อรักษาใจ ใจสัมพันธ์ที่สุดใจต้องปล่อยร่างกายปล่อยทรัพย์ปล่อ ย, อ, ยอะไรถ้ามันถึงเวลาที่เราไม่สามารถที่จะเก็บมันไม่ได้ก็ต้องปล่อยถ้าไม่ปล่อยเรวใจเราจะทุกข์ถ้าปล่อยแล้วใจเราจะเย็นใจเราจะสงบรักษาใจเว่าเป็นสิ่งที่เรารักษาได้อย่างหนึ่เรารักษาไม่ได้ทรัพย์สมบัติเจ้าของเงินทองรักษาไม่ได้ อวัยวะก็รักษาไม่ได้ชีวิตก็รักษาไม่ได้สิ่งที่รักษาได้ก็ขืนใจด้วยด้วยการปฏิบัติทานสิงภาวนานี่ยเข้าใจไหมครับเข้าใจมากขึ้นมากคับอาจารย์กับกับโคตรย่างสูงครับอย่าแม้ความททงอย่าะไรนอกจากการรักษาใจให้หลุดพ้นจากความทุกข์ให้ได้ ในการปฏิบัติทานสี่ภาวนาแล้วจะน้องน้ำแบบปฏิบัติแก่พระอาจารย์อืแม่น้องเหรนต่อกับสาธุค่ะพระอาจารย์ได้ยินหนูไหมเจ้าคะได้ยินจ้าค่ะพระอาจารย์ของหนูก็ลุยไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์คะด้วยประสบการณ์ของเองเนี่แยแหละค่ะเกี่ยวกับลุยความทุกข์นะค่ะพระอาจารย์ เกกับถ่าตัดมาหลายรอบไปฉีจรอบอะค่ะหนูก็เลยได้ประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะพระอาจารย์ค<ฮ>ือช่วงที่ผ่าสมองน่น้าะคะ่ะที่หนูอะ่ะคือยังติด ท, ที่ว่าอาจจะแบบเวลาวก ว, วอวัยวะมีปัญหาแต่เข้าไปในสมาธิเพราะว่ามันนอนอยู่บนเตียงนานนะคะพระอาจารย์แต่มันก็คือยังไม่ทิ้งร่างกายอะคะ่ะ พอหนูได้มาปฏิบัติกับพระอาจารย์เนี่ยแหละค่ะก็เหมือนแบบว่าจยากทดสอบตอนกับภาวะพักลิ่ิดเนี่ยแหละค่ะพระอาจารย์ว่าใจหนูชินกายยนหรือเปล่าเนี่ค่ะพระอาจารย์ก็เลยไม่ค่อยเจ็บร่างกายเลยค่ะพระอาจารย์ก็เลยได้เห็นโอ้โหเป็นข อ, องดีจากการปฏิบัติธรรเนี่ยแหะค่ะพระอาจารย์เพราะปกติเวลาหนูพักสมองหนูจะตื่นมาแล้ว มันจะปวดมากอย่างเงี้ยค่ะนูก็เลยเข้าไปในสมาธิอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนหนี้ยค่ะแต่พอตอนผาล่าสุดนี้ไม่หนลีละอาจจายองเจ็บก็คือเจ็บอะค่ะพระอาจารย์แต่มันยันไม่เจ็บเลยอะค่ะทงก็เลยได้จากการปฏิบัติเนี่ยแล้วนัดใจแล้วก็จะหยุดนัดใจแล้ว ก, ก็จะเย็นปล่อยวางแล้วยอมหยืดเย็นนะแล้วกได้เห็นว่ คามเจ็บของร่างกายก็ยังมีอยู่แต่มันไม่รุนแรงเหมือนตอนที่เราไม่ยอมใช่ค่ะพระอาจารย์ตอนผ่าสมองเนี่ยเทนซ์กอเกือบติดเลยครับปวดมากจนแบบน้ำตาไหลก็เลยเข้าไปในสมาธิเพราะว่าอยู่บนเตียงนอนนานเนี่ยค่ะพระอาจารย์ก็เลยเข้าสมาธิอย่างเดียวค่ะพระอาจารย์เหมือนหลบไปอยู่ในสมาธิมากกว่าจะเปิดตาขึ้นมาค่ะเพราะว่าเปวดตาขึ้นมากลัวอวัอวยะวะฟังทางหอยาหรือฉีดยาเยอะอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ใช้เป็นประคบเย็น ประคองความปวดนะคะพระอาจารย์มันก็เลยได้ประสบการณ์เยอะเนี่ยแหละค่ะจากความปวดจากอลุยทุกนะค่ะพระอาจารย์ก็เอามาพิจารณาทําไปด้วยนะค่ะพระอาจารย์ก็เลยเห็นความเปที่ไดก้การปฏิบัติธรรมจากพระอาจารย์ด้วยแหละค่ะนี่โอเคสาธุอาจารย์สาธุอุณสุภชัยสุภเชษคุสุภเชษเจน กับนมัสการพระอาจารย์ครับอยู่ที่ไหนอยู่กรุงเทพครับพระอาจารย์ครับผมเมื่อต้นเดือนตุลาพาคุณพ่อคุณแม่ไปใส่บาตกับพระอาจารย์ครับผมคุณพ่อคุณแม่ปลื้มปิติมากเลยครับพระอาจารย์ครับผมแล้วก็พ่อแม่ทำบุญบ่อยๆนะครับพาคุณพ่อคุณแม่มาคือตั้งใจคือคุณพ่อคุณแม่พาหลานมากรุงเทพครับที่บ้าะ อ๋ออยู่จังหวัดลำปางครับพระอาจารย์อืแล้วก็พอมากรุงเทพปุ๊บก็เลยพาถือพาหลานไปดูหมูเด้งด้วยครับแล้วก็ตอนเช้าก็ออยู่ที่โรงแรมแล้วก็เอตั้งใจไว้ว่าจะลงมาบินธบาตลงมาลงมาใส่บาทพระอาจารย์นะครับผมแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ดีใจมากเลยครับนี่ครับผมแล้วก็เออ่ตอนต้นเอกลางปีที่ผ่านมาครับผมก็ แจ้งขอขอคุณพ่อกับคุณแม่ครับว่าปีหน้าครับจะขอออกบวชนะครับภาจาร์ครับผมก็ตั้งใจก็ตอนนี้ก็ดูดูเรื่องวัดเรื่องอะไรครับผมก็น่าจะประมาณกลางปีหน้าครับที่จะไปบวชนะครับก็ตั้งใจว่าจะบวชวัดป่าครับผมเลอนุโมทนาด้วยครับนะว่าที่เข้มข้นกับการปฏิบัติ ผมก็น่าจะเป็นวัดที่เชียงใหม่ครับพระอาจารย์อยู่ใกล้บ้านคุณพ่อคุณแม่สามารถมาทําบุญได้ครับได้ครับผมครับครับแม่ไม่มีแล้วครับผมมามามากราบพระอาจารย์ครับตั้งใจมากราบพระอาจารย์คุนมีครำอธิความปรารถนาในความตั้งใจนะครับผมครับทุกครับไวปด้วยคนที่จะมาต่อคนที่จะมา ก, การมาสักการครับอาจารย์วันนี้เข้ามาฟังถามวม่มีคำถามค่ะอืม่อาจารย์ชมพิไลคุลอนุกูลเต่ไม่ไไมยังกาบมาสักการค่ะอาจารย์ทาัาขนแข็งแรงนะคะก็ยังทําอะไรไว้อยู่ยืน ไ, ไม่ได้ยืนนานๆเดินนานๆไม่ไหวต้องนั่งพักเป็นช่วงๆถ้าเดินต้อต้องพักไปช่วงๆเมว่าวันเมื่อวันเสาร์ที่สองพฤศจิกา คนเยอะนะคะก็พอสมควรปินบาลก็สี่ร้อยกว่าคนมาที่สาลายเกือบเต็มสาลัยก็เป็นธรรมเนียมเป็นธรรมเนียมธรรมเนียมก็ทำไปตามธรรมเนียมเห็นน้องสาวพากย์จา์มาตามหาไม่เจอเราอีนี้ไม่ได้ไปนะคะบอกมองหาอยู่หาไม่เจอบอกหายถามหายไปไหน บอว่าไปแล้วทุกปีปีนี้ไม่ได้ไปกลับมารอศกางนี้แทนนะคะ Happy Birthday อะค่ะอะเจมีอะไรไหม <c oughs> มีมีมนิดนึงค่ ะ, ะคือเออได้ไปไปสูท่าเมืองจีนน่ะคะแล้วก็จะเห็นว่าตั้งแต่ตั้งแต่สมัยโบราณมาคนเนี้ก็จะมีความเชื่อในเทพเทพเจ้าต่างๆเยอะมาก สิ่งที่เขาพาไปคือไปกราบคนไทยไปกขไปขอขอทุกอย่างนะคะขอสุขภาพขอมั่งมีขออะไรสวยงามอะไรต่างๆหมดค้าขายดีอะไรเงี้ยนะคะก็เลยทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วว่าชีวิตเราเนี่ยได้เข้ามาสู่สายสายทางด้านปฏิบัตินะคะศึกษานึกไปทางพุศา ส, สนานะคะมีท่านพุทธเ จ, จ้ามีท่านพระอาจารย์ทั้งหลาย ทำไมรู้สึกว่าโชคดีกว่าบุคคลอื่นอื่นอีกเยอะมากที่เขายังติดอยู่ในอยู่ในความเชื่อทั้งหลายแล้วสิ่งที่ไปก็คือขอขออย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้ไมีไ ด, ไได้ไม่ได้มุ่งปฏิบัตินะคะก็มีความร<อ>ู้สึกว่ไม่รู้ความจริงไงเขาไม่รู้ความจริงเ ข, า, า, งขาถูกสอนตามมาปุญญาตายายก็สอนลูกหลานมาให้ให้ให้ไหว้ให้ไหว้หวเจ้า ทำไมเดเยแเราก็อยู่กับคุณย่าค่ะก็ว่าเจ้าเหมือนกันคิดไหว้เจ้ากินเจอะไรก็เลยได้รู้สึกว่าเออทาคนผู้ศาสนาคนที่ถือพูดจริงๆแล้วได้เข้าไปถึงสายของการทึกซึ่งในการปฏิบัตินะคะเข้าถึงสายถึงคาสอนของเจ้าได้ก็าเจ้าบอกใป้คนฉลาดปัจจัดตังไม่เป็นวินยูชน วิญยูชนท้านั้นที่จะสามารถเข้าถึงธรรมะอันเปรฐของพระพุทธเจ้าได้ดังนั้นถึงแม้จะเป็นพูดแก่ไม่เลยพูดแบบวิญยูชนพูดแบบโมหชนนะม ง, งายนหลงอันก็ขอแบบเดียวกันนั้นพูดแบบขอไปมงอนกอจากพระพุทธรูปไปกาศผ้าตามวัดใหญ่มีเชื่อเสียงดังนดังเพไปขอพงขอพรขอนน่ข น, นขอนี่กัน ไม่ไดยสน ใ, <จ S 1> ใจกับคำศึกษาคำสอนเลยว่าพระเจ้าสอนให้ทํารือให้ขอแต่ก่อนมาเราก็ก็ขอนะคะมาได้เลยเพราะก็มีความเชื่อพอ เ, เราเข้าสู่สายนี้เราก็รู้สึกว่าได้มาถูกทางที่สุดแล้วนะคะทําให้มันชีวิตสบายพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ขอเลยสอนให้ทําศาสนธรรมไม่ใช่ศาสนาขอ่ะ อยากจะได้อะไรต้องทํากำลังเห็นแล้วผลก็จะตามมาอยากได้สวรรค์ก็ทําบุญทําทานรักษาสี่อยากได้นิพพานก็ต้องภาวนาชำระจิตใจให้สะอาดบริบสุทธขอไม่ได้ขอพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ให้เราไม่ได้แต่ในคําสวดบางทีก็ต้องอเผลอขอนะเพราะว่าขอตั้งชีวิตขอโน้มขอขอโ่้มขอเ น, นี่ยทุกคนมีความสุขสับภาพแข็งแรงก็ยังขออยู่เลยค่ะ มันก็เหมือนเป็นความเชื่อส่วนส่วนตัวแล้วดังนั้นว่ามันเป็นเพนเ็นเพลงมันเป็นความความปรารถนาแต่ไม่ใช่เป็นความจริงความจริงมันเกิดจากการกระทําอย่างเดียวได้ก็หวังว่าทุกคนจะได้เข้าไปนึกซึ้งในทางพุทธศาสนานะมากๆก็จะมีชีวิตที่ที่ดีแน่นอนถ้าปฏิบัติสร้างความสอาพระเจ้ามิแต่จะเจริญนุ่งเรืองไปเรื่อย โอเคนะค่ะค่ะอาจารย์ไปที่คนสาธ า, า, ารณจีน่าค่ะมาฟังธรรมค่ะอาจารย์ค่ะอเคเป็นไปที่คนคนยินดีที่แคนซัส USA สา่ทุกท่านจย์ท่านอาจารย์คะวันนี้ด้วยความที่ว่ามันติดค้างกับคนครอบครัวของทางศรีรังกาค่ะ คือเขาหนูเคยบอกเขาว่าให้เข้ามา ฟ, ฟังธรรมของท่านอาจารย์ท่านแล้วเขาบอกว่าเอภาษาอังกฤษเขายังแบบไม่ค่อยแข็งแรงเขาก็เลยพอใจกับการที่ว่าเฟังพระ ท, ทางเป็นภาษาของศี ร, ราการของเขาอะค่ะและตอนนี้มีอครั้งหนึ่งเขาพูดว่าจิตจิตคนเราเนี่ยมันมีหลายดวงเขาพูดอย่างนี้ยจิตมันมีหลายดวงคือดวงหนึ่งเกิดดวงหนึ่งดับดวงหนึ่งเกิดดวงหนึ่งดั บ, ดดบแล้วหนูก็เลยบอกว่า อย่างเช่นเพราะว่าเขามีแบบด้วยความที่ว่าเขาก็มีความทุกข์ใจเกี่ยวกับลูกชายเขาใช่ไหมคะท่านอาจารย์เพราะว่าลูกเขาทิ้งให้ลูกชายเขาว่าอยู่ที่สิงลังกาคนเดียวแล้วก็เทั้งครอบครัวก็คือมีลูกสาวมีลูกสาวหนึ่งคนแล้วก็มีลูกชายหนึ่งคนแต่เหมือนกับว่าเขาก็รู้สึกว่าคิวตี้ที่ว่าทิ้งลูกชายเขาคนเดียวแล้วลูกชายเขาก็จะทํางานทางด้านโมเดลอะคะ่ะท่านอาจารย์แต่เขากลัวว่าลูกชายเขาว่าทําไมแบบ ทำไมใช้เงินเยอะแล้วก็เขาก็กลัวว่าจะติดยาเขาก็เลยมีความทุกตรงนี้แต่เขาบอกว่ามันเกิดถกเถียงกันในใจระหว่างจิตสองดวงอ่ะเหมือนแบบถกเถียงกันว่าเอ้ยเขาเป็นเด็กดีตอนที่เราเยอยู่กับเราเนี่ยเขาเป็นเด็กดีแต่เขาคงไม่ติดนะ่ะแต่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แต่ทําไมเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยคือเาเถียงกันในใจเขาก็เลยเข้าใจว่าดวงมันมีหลายดวงแล้วแบบบางครั้งบางคราวเนี่ยจิตคนเราอะ่ะความคิดมันเถียงกันได้เขาก็เข้าใจอย่างงั้นหนูก็เลยบอกว่า มันไม่น่าจะใช่นะหนูก็เลยไปเปิดปิดสวิตไฟอ่ะคะ่ะว่าเห็นไหมถ้าเกิดสมมติอยู่คิดมันก็ไฟมันก็สว่างหลอดไฟมันก็สว่างแต่ถ้าเกิดอยู่อยู่ปิดสวิตออฟมันก็ดับอยู่ออนมันก็สว่างหนูแต่มันก็เป็นจิต ด, ดวงเดียวกันนะท่านอาจารย์ช่วยให้ความสว่างตรงนี้เพื่อที่ว่าหนูก็ไม่แน่ใจว่าหนูถูกหรือหนูผิดอะคะ่ะท่านอาจารย์ก็ได้แหละจาิตมันมีดวงเดียว แต่ความคิดมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้กินแล้วก็ทําให้จิตมีความรู้สึกเปลี่ยนไปคินแล้วทําให้จิตสุขบ้างทุกบ้างดีใจบ้างเสียใจบ้างคนั่นก็จิตดวงเดียวนะเหมือนไฟค่ะแต่เขาบอกว่ามันมันมันถกเถียงกันแบบมันถกเถียงกันเขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะมันมันมีหลายดวงแล้วความคิดเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดคือเหมือนกับว่าคมคิมันถกเถียงก็คือความคิดใหญ่ความคิดมันถกเถียงกันเอง ค่ะถ้าอาจารย์งัง้นงั้นที่หนูพูดอะมันก็ถูกต้องใช่ไหมคะท่าอาจารย์อ่าก็ถูกอ่ะยิ่งไม่ดวง เ, เดียวหนูก็เลยเช็เคเพราะว่าหนูเคยได้ยินค่ะถ้าอาจารย์แม้กระทั่งเอ่อการฟังธรรมบางทีแบบบางทีไอไอทิดตอกอะค่ะบางทีมันป๊อปอัพขึ้นมาเงี้ยค่ะเขาจะพูดว่าเอ่อจิตอะมันมีจิตจิตมีดวงหนึ่งเกิดแล้วก็มีดวงหนึ่งดับจิตดวงหนึ่งเกิดแล้วก็ดวงหนึ่งดับมันจะเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับหนูก็เลยแบบเอ๊ะ เราเราถูกหรือเราผิดหนูก็เลยหนูก็เลยลองมาใช้การท่านอาานเพื่อความสว่างทีเงี้ยจิตให้มีดับที่ดับก็คืออารมณ์ในจิตค่ะท่านอาจารย์ค่ะค่ะท่านอาจารย์ลูกก็ไม่มีอะไรค่ะท่านอาจารย์ก็ไม่มีคําถามแล้วค่ะก็เหมือนเดิมค่ะท่านอาจารย์เข้ามากราบท่านอาจารย์แล้วก็เดวิดเหมือนเดิมค่ะบอลซองเตะค่ะท่านอาจารย์ขอบคุณมากค่ะท่านวาดแผงแรงค่ะท่านอาจารย์ อ, อยู่เป็นร่มโภลมใจให้ลูกนานๆแล้วก็กรยารยนตมีทุกท่านด้วยค่ะท่านอาจารย์ขอาคอาจารย์ขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะที่มิตราคุณเดซยาต่อเชิญน้ำสการค่ะพระอาจารย์วันนี้เขามาวันนี้เขามาฟังธรรมค่ะไม่มีอะไรออไม่ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์ โอเคทำไมไม่เข้าไปเลยนะ แ, แล้วคนยังรอนอยู่เยอะไปให้คนจ้าคุณจ้าครับพี่สาวคุณหมอเลยเคุณหมอใช่ไหมกกค่ะการนามัสการค่ะค่ะอาจารย์ ก, การนามัสการค่ะ อ, อาจารย์คุณหม อ, อทางไหนไปหมอทางไหน เป็นหมอโรคมะเร็งค่ะอาจารย์อยู่ที่ทํางานเดียวกับออาจารย์หมอณัฐวุฒิค่ะไม่แน่ใจว่าเนียอาจารย์เข้ามาหรือเปล่ารกาักษาโรคอะไรองเโดยตรงเลยมคะค่ะค่ะอาจารย์รักษาโรคมะเร็งค่ะก็ต้งเจอคนที่ทกุกข์เยอะนะโรคอะไรอย่งเี้ยหายเป็นแล้วก็ต้องทกกันใช่ค่ะค่ะอาจารย์ออื จะได้เห็นสัจธรรมเป็นมอนนี่จะเห็นอยู่ใกล้กับวารียสสา์มากเลเห็นเกิดแก่เจ็บตายครบเลยที่ของพยาบาลนี้มีทั้งเกิดทั้งแก่ทั้งเจ็บทั้งตายค่ะมีทุกวันค่ะเราต้องโอยโยบันดาโยโกเข้ามาหาตัวเราว่าต่อไปเราก็ต้องเป็นแบบนั้นค่ะแล้ว <c oughs> เราจะต้องทําข้อสอบให้ได้ต้องไม่ทุกข์กับมันให้ได้ค่ะอาจารย์ อ่มีอะไรไหมอยากจะถามอะไรหรือเปล่า ม, ามีคาถามวันนี้ยังไม่มีค่ะอาจารย์วันนี้หนูวันนี้หนูมีคำถามสืบมาสืบเนื่องมาจากวันอาทิตย์ที่แล้วที่หนูฟังช่องของเหมอวีอะค่ะแล้วก็มีญาติธรรมท่านหนึ่งถามเกี่ยวกับเรื่องของคนที่อยู่ในอาการโครมา่าคำถามว่าตอนที่คนคนนี้อยู่ในอาการโครมา่าจิตยังอยู่ในร่างกายหรือว่าไป ที่ไหนแล้วพระอาจารย์ก็ตอบว่าจิตไม่เคยอยู่ในร่างกายจิตอยู่ในโลกทิพย์เพียงแต่ว่าส่งกระแสวิญญาณมารับรูคําถามของหนูก็เลยมีต่อขึ้นมาว่าแล้วระหว่างที่อยู่ในโลกทิพย์แล้วส่งกระแสนี้มาค่ะพระอาจารย์บางคนที่เขาสุดท้ายแล้วเขาฟื้นจากโคม่าก็คืออเหมือนเหมือนจิตมันก็คือยังมายึดกับร่างกายนี้อยู่ถูกไหมคะแต่ว่าตอนเขาเหมือนจิตมันเลิกส่งกระแสตอนไหนละ่ะคะตอนไหนถึง ที่จิตรู้ว่าเนี่ยร่างกายเรียกว่าตายละจบละอะไรอย่างเนี้ยค่ะก็เมื่อรูปเสียงกลิ่นร้อนไม่มาแล้วไงเหมือนรูปเสียงกลิ่นร้อนไม่เข้ามามันก็รู้ว่ามันร่างกายนี้มันเสียละมันมันดับละอาลมล์พอละร่างกายหยุดหายใจปั๊บอาัยวะทางท้องหลายมันก็หยุดทํางานทันทีตาหูจมูกเน้อง่ายก็ไม่สามารถรับรูปเสียงกลิ่นร้อนได้มันไม่รับรูปเสียงกลิ่นร้อนได้ เป็นยานที่เกาะก็รู้ว่าไม่ไม่มีสัญญาณมามันก็ถอนมันก็มันก็แยกไปเพราะฉะนั้นสําหรับร่างกายที่สมมุติว่ายังต่อเครื่องช่วยหายใจหรืออะไรอย่างนี้อยู่ค่ะแต่ว่าส่งสัญญาณอยู่อื ม, อมก็ก็คือตรับใดที่เอ่อเหมือนต่บหูจะหมุนกายในทํา ง, งานได้อยู่มันก็จิตก็ยังอยู่ประมันโอเคค่ะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าค่ะ ตาหูจมูกนิจกายไม่ทํางานก็เหมือนต้นไม้หินมันไม่ไปเกาะต้นไม้เพราะมันไม่มีรูปเสียงเก่งดนไม่มีตาหูจมูกนิจกายที่รับรูปเสียงเก่งดนจิตดวงวกระแสะวิญ ญ, ญาณก็จะไม่ไม่ไปเกาะตามต้นไม้ต้องไปก่อนในสิ่งที่มีอายตนะมีตาหูจมูกนิจกายดังนั้นพอหยุดพออยุดหางใจกก็็ระบบก็ปิด ท, ทันทีมันดับไฟอะ พอไม่หายใจแล้วหัวใจก็หยุดเต้นปอดก็หยุดทํางานทุกอย่างหยุดหมดมาหยุดหมดรูปเสียงกิรตคขั้นที่เอามาทางตาหูจมูกนินกายก็ไม่มีไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่สามารถที่จะรับรับเข้ามาได้เพราะผู้รับไม่ทํางานใช่ไหมวงตาหูจมกูกนกายไม่ทํางานันเมื่อไม่ทํางานดวงวิญญาณก็ไม่รู้ว่ามไม่มีสัญญาณมันก็ปล่อยมันก็มันก็ถอนกลับเข้าไปในกระแสจิตแล้วก็ไปรับผลบุญผลบาปต่อไป แล้วถ้าร่างกายที่ถูกเสียบด้วยเครื่องอยู่แล้วก็รันด้วยเครื่องเนี่ยค่ะเป็นไปได้ก็ยังไม่ตายก็ยัง ไ, ไ, ไม่ตา ย, ตายอืแต่ว่าร่างกายมันก็ยังปวดทาา่าผ้ามันก็ยังส่งปวดท่าผ้าใกับจิตได้แล้วไม่าร่างกายเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้หรือเปล่าอ๋อแต่จะเป็นไปไม่ได้ที่จิตจะถอนออกไปก่อนแล้วก็ร่างกายถูกรันด้วยเครื่องมาชิน อยู่เรื่อยๆแล้วพอทันทีที่ถอนแล้วก็ทุกอย่างมันก็เลยดับเพราะว่าใจมันไปตั้งนานแล้วอย่างนี้ไม่ใช่ใช่ไหมคะส่วนมากก็คือมันจะดับมันจะแยกเมื่อเมื่อท่าทันดับนร่างใกายมันดับก่อนแล้วมันจะมันถึงจยากออกจากกันโอเคค่ะเท่านี้แลฤฤฤ้วค่ะค่ะจ่ายไม่มีคำถามการปะทะปัญหามันไม่อยที่มันยากเมื่อไหรแล้วไม่ยากมันอยู่ที่ว่าเวลามันจะมันเวลามันเกิน ปัญหาที่ร่างกายนี้ใจจะเฉยได้หรือเปล่าไม่ทุกข์กับมันได้หรือเปล่าเพราะว่าเรื่องยากไม่ยากเป็นเรื่องอัตโนมัติเป็นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของร่างกายแต่ใจมันจะดิ้นโดนทรมานหรือเปล่าอันนี้ตัวนี้ต่างหากที่เราจะต้องคอยมาคอยมาคุมคอยจัดการให้มันไม่ให้ดินไม่ให้มันทุกข์กับ ภาวะของร่างกายก็ต้องฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญาให้มากๆได้ฝาให้ใจวางเฉยได้ให้ตั้งอยู่ในอุเบกขาจากแต้ว่ามต้องคอยเติมอุอมเบกขาจนกว่าจ ะ, ะ, ะมันจะยากเมื่อไหร่ก็ไม่ยากที่มันไม่ไม่ได้เป็นประเด็นสสำคัญเลย เป็นวลามันก็ยากของมันเองถ้ามันไม่ยากมันก็ไม่ยากมันไม่เป็นปัญหาปัญหาก็คือว่าใจรู้สึกยังไงกับมันรู้สึกกับสภาพของร่างกายตอนนั้นว่าเป็นยังไงอ่ะใจแล้วค่ะค่ะวนย่างใจมันจะตื่นเต้นตกใจหวาดกลัวอะไรต่างๆนานาขึ้นมาเนื่อจาสภาพที่มันอไม่ปกติของร่างกายนะ แต่ความรู้สึกครับพอเป็นมะเร็งพอไปหาหมอมอเป็นมะเร็งเงิใจตกเป็นลงไปทีเทาวนะตกใจทีนี้ถ้าไม่ได้ถึงกับตกใจแต่ว่าถ้าเกิดเป็นความรู้สึกเหมือนรังคันใจอ่อนๆ อ, อ, อะไรนี้ก็คือยังถือว่ายังไม่ผ่านถูกไหมคะอะก็ยังไม่ผ่านแ ต, แต่ที่อาจจะลดลดปริมาณความมุ่นวายใจไปมากพอสมควรแต่ก็ยัง<ม>อาจจะยังมีอะไรนิดๆอยู่ ต้องปรึกต่อไปเท่านี้แลค่ะพอาจารย์ขอบคุณมากค่ะวันที่20ค่ะ20นะโอเคยัยู่หลาวันอีกโอเคสาธุสาธุค่ะขอบคุณคะคุณมคะพระอาจารย์คุณหญิงจ่าคุณหญิงไม่ลายถอนใช่ไหมคุณหญิงใช่เจ้าค่ะอาจารย์ค่ะเข้ามากราบพระอาจารย์ค่ะมาฟังธรรมเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะ ปฏิบัติอยู่เหมือนเดิมค่ะขอให้พระอาจารย์ธาตุขันแข็งแรงนะเจ้าคะ่ะค่ะขอบคุณพระาจารย์จับนมัสกรารพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ลูกไม่มีคําถามเจ้าค่ะขอลองฟังตอนนี้ยังอยู่เมืงเทียอยู่ในชะ่ไหมอยู่เจ้าค่ะอยู่ที่ประฐุมนะใช่เจ้าค่ะลำลูกกาอยู่ปทุม <Okay. S 2> เจ้าค่ะ ยังยังไม่คงไม่คงก็ไม่คงไม่กลับอ่ะแล้วค่ะก็แล้วค่ะก็ตั้งใจอยู่ยาวเลยอยู่ยาวเลยนะแล้วค่ะตั้งใจกลับมาดูแลคุณพ่อคุณแม่แล้วเจ้ะคะเาค่ะแล้วค่ะเหตุอะไรที่ทำให้กลับมาอ๋อก็คุณพ่อคุณแม่ค่อนข้างจะอายุมากแล้วก็เลยอยากจะกลับมาดูแลท่านแล้วก็แล้วก็จะทํางานให้ท่านได้ภูมิใจด้วยนะคะ ก่อนที่จะสายเกินไปเจ้าค่ะก็ก็ท่านทั้งสองก็แปดสิบห้าแล้วเจ้าค่ะก็เลยตนนัดสินใจทำบุญให้ท่านตอนนี้ดีกว่าทําตอนที่ท่านตายไปแล้วนะท่านใ น, น, น, น, นความสุขมากกว่าทําตอนนี้ให้กับท่านใช่เจ้าค่ะก็ตั้งแต่ลูกเรยียนจบมาลูกก็เอปฏิบัติที่อยู่ที่เท็กซัสก็คือไม่ทําอะไรเลยก็นั่งปฏิบัติอยู่ประมาณสี่ถึงห้าปีเจ้าค่ะแล้วลูกก็คิดว่า ลูกคิดว่าลูกควรจะจะมาดูแลท่านแล้วก็แล้วก็ทำงานให้ท่านภูมิใจได้อะเจ้าคะ่ะเจ้าคะ่ะเจ้าค่ะล้กก็พอพอก็ก็ปฏิบัติต่อเจ้าคะ่ะก็ปฏิบัติต่อไม่ไม่ไม่ไม่เลิกเลยไม่ทิ้งงานปฏิบัติก็ทำไปงานยังไงก็มีความจำเป็นต้องทำก็ทำไป ใช่เจ้าค่ะไม่ไม่ทิ้งเค่ะเดินหน้าอย่างเดียวก็อาจจะลงจากทางด่วนลงมาแต่ก็จะจะไม่ทิ้งเด็ดค่ะเจ้าค่ะจะําอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าให้รับกับทุกอย่างรับกับทุกสภาพนะคะยอมรับตอนนี้เราอยู่ข้างล่างเราก็เดินไปเจ้าค่ะเป็นกรรมของเราก็แล้วกันจะทํากรรมอะไรไว้ก็ต้องรับผลของกรรมนั่น เจค่ะเจค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดือนหน้าประมาณวันที่สิบลูกอาจจะต้องกลับไปสัมภาษ์ลูกสมัคร citizen ไว้เจ้าค่ะอืมก็กลับไปใกล้ๆจะสำเร็จนะก็รีาใท้เสร็จเลใช่เจ้าค่ะกลับไปสัมภาษณ์แล้วก็เสร็จแล้วก็ทีนี้ก็จะก็กลับมาอยู่ยาวแล้วก็ทำงานเจ้าค่ะก็สมัครเป็นสมัครที่มหาวิทยาลัยเอาไว้เจ้าค่ะ จะสอ น, นสมาก่อนมาก่อนนี่ก็ไม่คิดจะทํางานเนี่ไม่คิดเจ้าค่ะไม่คิดเลยอยากจะอยากจะปฏิบัติอย่างเดียวแต่ว่าพอพอมาดูคุณพ่อคุณแม่แล้วคือรู้สึกว่าเราไม่เคยให้ท่านเลยตั้งแต่เรียนจบแล้วคุณพ่อมีความฝันว่าอยากเห็นลูกได้ได้แบบทํางานมาหาวิาไลเป็นอาจารย์ อ, อะไรอย่างเงี้ยใช่เจ้าค่ะให้เขาภูมิใจเจ้าค่ะ ก็ก็เลยคิดว่าเขาแปดสิบห้าแล้วอย่างน้อยก็ไม่รู้จะเท่าไหร่ที่เหลืออยู่ก็เลยคิดว่างั้นเราก็มาทํางานให้ท่านภูมิใจส่วนเรื่องของการปฏิบัติก็คือลูกรูก้ว่าลูกลูกไม่ถอยลูกคิดว่าลูกเดินเต็มที่เหมือนกันก็ก็คิดว่าอาจจะช้าหน่อยแต่แต่มั่นใจเจ้าคะ่ะมันมั่นใจก็เหมือนพระอนุนเนี่ยท่านก็สละเวลามารับใชบ้พระพุทธเจ้าอยู่ตรงยี่สิบกว่าปีด้วยกัน ไม่ได้ไปปฏิบัติแต่พะเจ้าตายไปแล้วก็ไปปฏิบัติสามเดือนกันบบรรลุเจ้าค่ะลูกก็มั่นใจว่าถ้าถ้าลูกตอบแทนพระคุณคุณพ่อคุณแม่ถึงที่สุดพอไม่มีท่านแล้วลูกก็คิดว่าลูกไปต่ออแล้วเราก็จะได้ไม่มีอะไรมากังวลใจว่าเราไม่ได้ทําอะไรให้กับพ่อให้แม่ใจเจ้าค่ะใจเจ้าค่ะนั่นคือสิ่งที่ลูกรู้สึกว่าลูกลูกลูกต้องทําก่อนที่ลูกจะไม่มีโอกาสเจ้าค่ะ อย่ามาเสียใจภายหลังอย่ามาร้งน้ำตาตอนนี้เห็นลงนะมันสายไปแล้วใช่ใจเจ้าค่ะใจเจ้าค่ะเพราะนะั้นลูกก็เลยคิดว่าลูกลูกต้องทำได้เจ้าค่ะพร้อมกับปฏิบัติต่อต้องต้องต้องทำได้เจ้าค่ะเ<ด>จ้าค่ะเน้โมทนานโมทนายินดีสละประโยชน์สูตรของตนเพื่อผู้ผู้มีพระคุณ น, นะ สาธุเจ้าคะ่ะสาธุเจ้าค่ะพรอาจารย์แล้วลูกได้อยู่เมืองไทยก็ได้มีโอกาสรู้สึกไ <laughs> <laughs> ด้ชินแตะอาจารย์เจ้าค่ะอบอุ่นใจเจ้าค่ะอบอุ่นใจมาก <laughs> มันก็เหมือนกันงันก็เอ น, <laughs> <laughs> นกันยู่ในจอเก่านะันเดียวกันนี้นแหละเราจะ็ถ้ามีโอกาสก็มีโอกาสก็คิดว่าเราจะได้ไปปฏิบัติเงียบสงบเป็นบางครั้งด้วยเจ้าค่ะคุณพ่อเข้าใจเจ้าค่ะคิดว่า <laughs> เป็นการเป็นการตัดสินใจที่ถูกเจ้าค่ะ ดีมากมาสาธุสาธุสาธุกลับขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคุณนิสาแอ๋เอยเป็นงานคนอเมริกันกลับกลับมาเทศกาลค่ะพระอาจารย์กลับคนเลือกตั้งเป็นงคนอเมริกันค่ะก็เมื่อถึงว่าืนก็นอนดึกนิดนึงค่ะาพระอาจารย์เมื่อเช้านี้ก็รีบตื่นดูก็ ก, ก็ค่อนข้างห่างนิดนึงค่ะไม่คิดว่าเจอนึกว่านึกว่าจะสูสีค่ะพระอาจารย์ เออที่บ้านก็แปงเหมือนสองฝักสองฝ่ายคก็ดีมันมันหา่างมันจะได้ไม่มีปัญหาถ้ามันสูงสีเนี่ยมันยังคาราคาซังใบเป็นเดือนก็มีค่ะค่ะอาจารย์กออ็มันก็ขายเปก็เหมือนกันะเหมือนกันค่ะเ า, าไม่ต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟอยู่ต้องจ่ายค่มือนเดิมเหมือนเดิมค่ะเราเป็นพวกแบบไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากมายค่ะรอาจารย์ก็ก็แล้วแต่ค่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างค่ะอาจารย์ แคลิฟอร์เนียก็เป็นของเดโมแครตอยู่แล้วค่ะพระอาจารย์แต่นั่งไม่ออฟฟิเชียลนะคะแต่ดูแล้วน่าจะได้ช้ําอะค่ะพระอาจารย์รู้สึกทิ้งห่างเยอะค่ะพระอาจารย์อืมค่ะก็ <c oughs> เป็นไปตามความเป็นจริงค่ะ <c oughs> พระอาจารย์ก็เออรู้มีคําถามนิดนึงค่ะพระอาจารย์ถ้าถ้าเราปฏิบัตินะคะพระอาจารย์แล้วชาตินี้เรายังไม่ ไม่สําเร็จเนี้ยค่ะพระอาจารย์ถ้าเราเกิดชาติหน้าเนี่ยถ้าเราเกิดเป็นสมมุติว่าเป็นเทวดาอย่างเงี้ยเราจะปฏิบัติต่อได้ไหมคะพระอาจารย์ถ้าเราทําบุญเยอะอะค่ะเราไม่มีร่างกายแล้วถ้าเรามีนิสัยฝ่ายธรรมเราก็อาจจะไปฟังธรรมจากพระอรหันต์บางลูกก็ได้อ๋อหรือพระพุทธเจ้าถ้ามีพระพุทธเจ้าสนดงธรรมเ้าก็ไปฟังได้แบบที่พระพุทธเจ้าส่งสอนเทวดาทุกวันพวกเทวดาที่สนใจธรรมะเขาก็จะไปกัน ค่ะก็ยังสามารถศึกษาปฏิบัติทําได้แม่พระเจ้าก็สามารถบรรลุเป็นพระอนุญบุคคลได้จากการฟังเทศน์ฟังธรรมจากพระเจ้ามันจะติดอยู่ในใจเราใช่ไหมคะใช่ก็เหมือนเราชอบอะไรมันก็ติดไปกับเราเราไม่ชอบอะไรมันก็เรามันก็จะติดไปกับเราถ้าเราชอบธรรมะเราก็เราไปอยู่ที่ไหนเราก็มักจะสอดส่องตรงนี้มีวัดหรือเปล่าตรงนี้มีแสดงธรรมหรือเปล่ามีอะไรเปล่าใช่ค่ะ แต่ถ้าเกิดเราเกิดเป็นคนเราก็ยังเรามันก็จะอยู่ในใจเราใช่ไหมคะใช่ก็เหมือนกันจะเป็นคนก็ไม่เป็นคนมันก็ใจก็เหมือนเดิมค่ะอืมก็ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์ก็แต่ว่ามันเป็นปนิสัยแล้วกันถ้ามันเป็นนิสัยก็จะถ้ามันเป็นนิสัยมันก็ยังอาจจะสองจิตสองใจเออมันมันถ้ามันเป็นนิสัยมันก็อาจจะทาําบ้างไม่ทมาบ้งางแล้วแต่โอกาส แต่พระเบญิสา น, มนะมพยะยามมันจะทำอยู่เป็นอย่างต่อเ น, นื่องเป็นต่อกระติะไปลูกหนึ่งนึกถึงสมัยตอนลูกเกิดตามเด็กๆอะค่ะพระอาจารย์ลูกแบบเกิดคือเกิดแล้วคุณพ่อคุณแม่ไม่มีเวลาเลี้ยงก็เอาไปให้คุณยายเลี้ยงที่แต่งจังหวัดอะค่ะแล้วยายคุณยายลูกเขาเป็นคนที่เข้าวัดเข้าว่าเป็นอุบาสิกาอย่างเงี้ยค่ะวันเขาเบญิาก็จะไปวัดอยู่วัดตลอดแล้วลูกก็จะแบบ ตอนเด็กๆอะค่ะแบบว่าท่องตรวจมนได้แบบไปวัดจะแบบเหมือนแบบซึมซับเข้าไปในในแบบว่ามีความรู้สึกว่าติดผูกพันกับวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอพอพ อ, พออายุพออายุเข้าเกณฑ์เรียนหนังสือก็มากรุงเทพก็ลืมไปเลยะค่ะไม่ไม่ติดอยู่ที่ใจเลยะ ค, ะค่ะค่ะอาจารย์เหมือนแบบหลงแสงสีไปเลยะะอคะค่ะอาจารย์เวลาจะมีมี การปลกฝังน้อยไปมันก็เลยยังไม่มีอิทธิพลต่อจิตใจเราเท่าไหร่แล้วก็แบบลืมยาวไปจนแบบถึงมาที่นี่จนแบบนานมากเลยค่ะพระอาจารย์ก็ยังยืดหยุ่นกลับมาได้ค่ะพระอาจารย์โอเคว่ามันก็ยังมีของเก่าอยู่เลงไว้ค่ะจริงๆลูกก็ยังรู้สึกแบบอยากจะทำตลอดเวลาแต่มันมีมีภาระหน้าที่มีอะไรหลายๆอย่างแล้วมันสุดท้ายมันก็มีความติดค้างอยู่แล้วก็ ก็สุดท้ายก็ได้กลับมาก็ยังรู้สึกว่าคงเป็นเป็นเป็นเป็นสิ่งที่แบบว่าให้ให้ลูกได้มาพบกับพระอาจารย์ด้วยอะค่ะพระอาจารย์ถึงแม้จะอยู่กันไกลคนละคนละฟากโลกค่ะค่ะพอาจารย์พวกน้ํามันกับน้ำมันไม่อยู่ร่วมกันอะพวกน้ําก็อยู่กับน้ำพวกน้ํามันก็มันก็จะไปอยู่กับน้ํามันนะเคยไหมเอาน้ากับน้ํามันผสมกันแล้วเราเขย่าขวนดูเลย อย่างไงมันก็ไม่มันก็ไม่มันไม่มันไม่เข้าไม่ผสมกันน้ํามันกับน้ํามันก็ต้องแยกออกจากกันคนที่ไปทางเล่ากับคนไปทางธรรมก็แบบเดียวกันมันมันเข้ากันไม่ได้ค่ะอาจารย์ก็น้ำมันก็ต้องข้หาน้ํามันน้ํามันก็ต้องหาน้ำ ค่ะก็ขอบขอบคุณพระอาจารย์ค่ะที่ช่วยสั่งสอนขอบพระคุณขอบคุณพระพุทธเจ้าด้วยค่ะพระอาจารย์ก็ก็หวังว่ามันจะติดตัวอย่างนี้ตลอดไปค่ะพระอาจารย์น้องขอบคุณด้วยการปฏิบัติบูชาแล้วกันค่ะค่ะน้อม น, นําปฏิบัติค่ะพระอาจารย์ก็ไม่มีคําถามขอให้พระอาจารย์ท่านแข็งแรงนะคะจ้าสาธุกุณฑลีเจนมาลีวุตฒากาตตระมว เกวหลงพ่อค้าวเมื่อวันเสารวันเสารหลวงพ่อฉันข้าวสายเลยเกีือบจะไม่ได้สันเลกือบเที่ยงเลยอูดแล้วขนมเค้กแสดงว่าเหมือนคนมาถวายเยอะเหมือนหลวงพ่อชอบหรือเปล่าคะไม่หรอกเราก็เป็นประทประเพณีเมื่อวันเกิดเราก็ต้องเอาเค้กมาถวายกันค่ะแล้วก็ก็เป็นใบตาม วันเพลงนี้น่ะก็ไม่ได้เป็นอะไรกับมันค่ะหลวงพ่อเมื่อวานนี้ก็วนันขายวันเกิดหนูอืมกันเดือนเดียวกันใกล้กันนะค่ะหลวงพ่อหนูไม่แช่ก็เปล่าหนูไม่แช่ก็เปล่าหนูไม่มีเพราะหนู ไ, ได้ให้ข้าวสำคัญก็หลวงพ่อใค ร, รค น, <seja> คนไ ห, คคหน <seja> เ, ขเขาเอามาให้ข้าวสาคัญกับเราบ้างนะเขาเขาเอามาให้ค่ะแต่<ฆ>แต่หนูเฉยเฉค่ะหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อก็มันก็เป็นอาหารอย่างหนึ่งมันก็เป็น กินเข้าไปมันก็ออกมาอีกทางหนึ่งเจ้าแค่นึกถึงวันที่แม่คลอดเราเท่นั้นเนี่ยก็นึกถึงความลําบากของเขาแค่นั้นนะจ๊ะเรานึกถึงพราคุณยองคุณพ่อคุณแม่ก็แล้วกันใช่แล้วเราไม่มีพ่อแม่เราก็มีเรามาไม่ได้ใช่แล้วพ่อแล้วนี่ทำอะไรทดแทนบุญคุณได้ก่อนผลพ่อคุณแม่ได้ตอนนี้ก็ริ่มทำเสีค่ะก็ ทําอยู่ทุกวันค่ะหลวงพ่อแล้วก็ขอทางทำด้วยค่ะหลวงพ่อไม่ไม่คือจริงๆแล้วก็ห่วงตรงเนี้ยค่ะหลวงพ่อถ้าไม่มีห่วงก็อยากจะไปตรงนั้นเต็มเต็มตัวอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแต่ว่าเสือเหลือแม่อยู่คนเดียวแล้วอะค่ะหลวงพ่อรอเวลารอเวลาไปก่อนปฏิบัติไปพางๆก่อนค่ะแต่เขาก็สนับสนุนดีอยู่ค่ะหลวงพ่อ แล้วหนูก็ปฏิบัติอยู่ทุกวันไม่ไม่ได้ขาดค่ะไม่ได้ขาดค่ะหพติดต่อสืบเนื่องไม่ขาดสายแล้วก็รู้สึกว่ามันมันทุเราเบาบางจางลงถ้าเทียบกับที่เราไม่ได้ปฏิบัติเนี้ยค่ะหลวงพ่อในเรื่องของจิตใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่ออืมค่ะ<อ>ว่าจิตใจเราสงบไม่ไม่ตกไม่ไมไวุ่นวากับอะไรก็ใช้ได้นะ ค่ะหลวงพ่อมันมันเปลี่ยนไปเลยนะคะเปลี่ยนไปจากเดิมค่ะหลวงพ่อก็ดีาทําต่อไปนะค่ะหลวงพ่อหนูกราบขอบพระคุณหลวงพ่อแล้วก็ขอให้หลวงพ่อถ้านัแข็งแรงด้วยนะคะรักษาสุขภาพด้วยค่ะได้สาธุอาจารย์สาธุขอบพระคุณค่ะคุณคุณป้ากับคุณจำชื่อไม่ได้ขอไปแล้วยนะคาพระอาจารย์กลับนมัสการคาพระอาจารย์ วันนี้ตาตาไปต่างประเทศค่ะจริงๆนัดเจอกันในซูค่ะแล้วตาเขาน่าจะเข้าช้าค่ะนคนคนเต็มเลยเขาไม่ทันเลยฝากกลับค่ะอาจารย์ด้วยแล้วก็จะอยู่อีกหน้ากนะ็ได้เราไม่ได้เปิดเปิดดูค่ะแต่แม่ตาตาไลามาบอกแล้วค่ะว่าว่าเขาหน้าจะเข้าไม่ทันนะคะหาจะคนเต็มค่ะพรอาจารย์กลาวพระอาจารย์ด้วยค่ะโอเคแล้วเดี๋ยวผ ไปประเทศไหนนะไปไปฮ่องกงค่ะค่ะฮ่องกงนะค่ะไม่ไกลสองชั่วโมงก็ถึงไมใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะหนูไปปฏิบัติธรรมบนเขาชีโอนได้ไปสําคืนคับพระอาจารย์พระอาจารย์มีคำแนะนำก็พยายามควบคุมใจด้วยสติตลอดเวลาอย่าปล่อยให้ใจคิดถึงกรุงเทพอย่าให้คิดถึงแฟนคิดถึงใครให้อยู่ที่เขาเชีโอนปลกไว้กับร่างกายค่ะะ ร่าง <ไป S 1> กายร่างกายทําอะไรก็ทํากับร่างกายไปอยู่กับร่างกายไปหรือแม้เ hmm. ช่นนั้นก็อยู่กับพุโทโธไปก็ได้เราต้องการทําใจให้สงบไปนี้เพื่อทําใจให้สงบให้เน่งอันนั่งสมาธิได้ mm hmm. แล้วจะมีความสุขจากการจากความสงบเราจะทําให้เราเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากแบบเดิมมาเป็นแบบใหม่นี้ได้ โอเคนะค่ะขอบพระคุณคระอาจารย์ค่ะขอให้พอาจารย์ น, นักแข่งแข็งแรงตั้งนี้ไ ป, ไปข้างแรกเหรว่าไปครั้งที่สองค่ะค ร, ะาารั้งที่สองครั้งที่แล้วเป็นยังไงบ้างดีค่ะคระอาจารย์แต่ก็ก็คือเหมือนได้เริ่มปฏิบัติจริงจังในในปีที่แล้วประมาณช่วงกันยาค่ะเป็นครัง้งแรกที่อยู่คนเดียวเลยเอ่ปีที่แล้วก็ก็อยู่คนเดียวค่ะคระอาจารย์อ ไปกับเพื่อนแต่ว่าแยกเรือนกันอย่างนี้แต่ครั้งนี้อัปเลเวลค่ะแล้วจ้ะใช่ค่ะดีใ่เราไปแล้วก็ต้องอยู่คนเดียวนะชีวิตเรามันไม่มีมันมันในที่สุดมันก็ต้องอยู่คนเดียวแล้วใช่ค่ะก็คือจะค่ะก็คืออันนี้เป็นปัญหาเหมือนกันนะคะว่าต้องพยายามทําใจให้เข้มแข็งนะคะเป็นโจทย์อัตตาเหยตโนธาถุตอนเป็นที่เพ่งของตน เพื่อโดยการปฏิบ er> ัต okay, ิธรรมได้ที่ส e. ุดโอเคนะสาธุคุณเอกคุณชายคุณเอกอยากเชียงรายการนมัสการพระอาจารย์ครับก็วันนี้เข้ามารับฟังครับพระอาจารย์ครับกายังปฏิบัติอยู่ครับพระอาจารย์ครับนี่จ้าสาธุจ้าครับผมครับขอพระอาจารย์ข้าด่านแรงๆครับผม ออสาวเจ้าอหุ้งครับคุณแอนบุนดอนธานีไปทอดกระถินมาบ้างไหมยังไม่เลยค่ะไม่ใช่สายนั้นพี่จะทําบุญใส่บาตค่ะเป็นคงทําบุญใส่บาตเป็นประจำตัวค่ะเหมือนกันไม่มีคําถามเัวค่ะค่ะทำบุ้ํารูปแบาไหนทำบุญในรูปแบบไหนก็เป็นบุญเหมือนกันนะ่าเธุเจ้าค่ะค่ะสาธุเจ้าค่ะ มุป้ยนักเซเบิร์กถามน้ำสกันคาารับอาจารย์อาจารย์ได้ไมอ่าได้ยินได้ยินชที่นดี้สุขสันวันเกิดครับ Happy Birthday อาจารย์วันมันผ่านไปแล้ว ม, มันเข้าวันตายแล้วยมเขียนแต่ให้อาจารย์ด้วย โยมก็ไม่มีอะไรมารายงานตัวโยมยังปฏิบัติเหมือนเดิมสวดมนต์เธอศีลเจดกงวันเธอศีลแปดกงคืนแล้วโยมก็หนักไปทางทำกระถิ่นค่ะโยมน้อมนำกระถิ่นวันสุดท้ายกระถิ่นตกค้างมาถวายพระอาจารย์เจ้าค่ะถูกจ้ะถูกแล้ว สาธุมาจารย์โยมอ่ะเออมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เออมันเหมือนกับมีกิเลสมานมาอามาอารวาสโยมเวลาโยมนั่งสมาธิอ่ะมันมันคือว่ามันนิ่งมันสงบโยมไม่มีปัญหาอะไรเลยที่จะมารบกวนโยมแต่ว่ามันเหมือนกับมีอะไรที่ทำให้โยมข้างในอ่ะมันไม่รู้สึกนิ่งทั้งทั้งที่โยมจะลงได้ แต่ทีนี้มันลงไม่ได้มันโยมก็เลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรสติขาดสติต้องพุโทโธให้มากขึ้นอย่าเพิ่งหยุดพุดโทโธต้องพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆโยมโยมก็ทําเหมือนอย่างพระอาจารย์โยมพุโทโธไปตลอดเข้าห้องน้ำโยมก็พุโทโธเอ่อโยมนำบัญชรเลยพระอาจารย์อืมทํำไปเรื่อยๆจังหวะวันยนันนี่จะสงบจัไม่มีอะไรลงแล้วอยู่ในใจแล้ว อ, อย่าก็อยู่ โยมโยมก็ไม่มีอะไรค่ะเพียงแต่ว่าโยมได้ตั้งเจตธิฐานเมื่อต้นปีว่าโยมจะเดินทางธรรมและรู้สึกความรู้สึกของโยมว่าโยมจะประสบความสำเร็จและจากวันนี้ไปตอนแรกโยมไม่มั่นใจว่าหลังออกปัญศาเนี่ยโยมจะได้ถือศีลเจ็ดถือศีลแปดสวดมนต์ไหว้พระเหมือนอย่างที่โยมทำตลอดไปหรือเปล่าแต่รู้สึกว่า คอนเฟิร์มแล้วว่าโยมจะได้เดินทางทมแล้วค่ะก็ดีินดีด้วยินดีด้วยใช่ค่ะพระอาจารย์ขอบุญของพระอาจารย์แท้เลยบุญมากพระอาจารย์ให้ความสุขมากๆให้ความเจริญในธรรมนะค่ะสาธุพระอาจารย์ขอให้พระอาจารย์ทัดขันแข็งแรงค่ะสาธุจ้ะไปที่คุณแอน เจอพันธ์อันตอนนี้ไม่อยู่ที่ไหนล่ะหลอดนวัตการหลวงพ่อเจ้าค่ะอยู่กรุงเทพค่ะพรุ่งนี้เช้าบินค่ะพรุ่งนี้บินแต่ใชาไหมค่ะแต่พรุ่งนี้นั่งเป็นผู้โดยสารไปข่าวนี้ก็เลยสบายๆไม่ไม่ดีบร้อ น, นยังจัดกระเป๋าไม่เสร็จเลยค่ะต้อง standby ระหว่างแล้วไม่ต้องไม่ค่ะพรุ่งนี้บินค่ะเพียง<อ>แต่ว่าอไม่ไม่ได้ทํางานค่ะพรุ่งนี้ไปไปเริ่มบินที่ญี่ปุ่นวันศุกร์ค่ะใช่เราบินฟรีใช่ไหม บินฟรีค่ะเป็นมันเป็นหน้าที่ก็ถือว่าเขาก็ถือว่าเป็นหน้าที่หน้าที่หนึ่งอะค่ะนั่งไป<ม>แต่ก็ก็เป็นเป็นในฐานะลูกเรือค่ะ no วันนี้ไม่ได้ s t a n d วันวันนี้จริงๆวันเนี้ standby แต่ว่าไม่โดนเรียกค่ะก็<ม>แต่ว่าพรุ่งนี้เป็นเป็นเป็นวันที่ต้องบินจริงอยู่แล้วอะค่ะ<ม>ค่ะก็เลยมานั่งฟังอ่าเข้าคลาสก่อนวันนี้<ม>ค่ะไม่มีคําถามค่ะหลวงพ่อ เดี๋ยวที่หน้าหนูอไปไปเขาชีโอนเหมือนกันค่ะดีจองลองไปปฏิบัติดูสามวันลองดูเราเราไปสู้กับความเหนาสู้กับความกลัวดูหนูเป็นคนอยู่คนเดียวได้ค่ะหลวงพ่อแต่ว่าก็เลยรู้สึกว่าอยากไปดูเหมือนกันว่ามันเราอยู่ได้จริงหรือเปล่าแต่อย่างอย่างตอนนี้ก็อยู่คนเดียวเดือนนี้อยู่คนเดียวทั้งเดือนเลยค่ะเพราะคุณพ่อไม่อยู่ ก็รู้สึกว่าอยู่กับความเงาได้อยู่กับอยู่ความเงียบได้แต่มันก็อยู่กับอยู่กับความวเงาแบบไม่มีอะไรด้วยใช่ไหมคะยังยังรูปแงกินตหมดมาป้อนใจค่ะตอนเดี๋ยวจะลองลองสักครั้งหนึ่งครั้งที่แล้วไปไปที่ของของวัดใช่ไหมคะแล้วหนูก็อ่าอยู่ข้างล่างก็ยังรู้สึกว่ายังได้ได้เจอคนนู้นคนนี้เรายังคุยยังยังยังต้องมีแบบว่าพบเจอผู้คน อันนี้เลยได้จากคุณจุ๊บมาค่ะครั้งก่อนก็เลยลองทักไปที่ของข้างบนเะวอาค่ะได้วันมาพอดีตรงกับวันหยุดพอดีแล้วนค ะ, คะแล้วก็เดี๋ยวจะไปวันช่วงที่ไปรู้สึกว่าจะตรงกับวันวันพฤหัสสุกเสาร์ช่วงที่มีวันพระด้วยมั้งคะเดี๋ยววันกลับ ก, ก็จะได้โอกาสฟังธรรมะหลวงพ่อนาคุติด้วยได้ค่ะ ขอบคุณค่ะหลวงพ่อเดี๋ยวไว้จะมารายงานค่ะว่าอยู่ได้กับความมืดความเงียบความเงียบสงัดคนเสียงสารสัตว์อัจจะเจอเสียงเสียงนู่นเสียงนี่ขึ้นมาก็ได้นะค่ะอยากจะเสียงถ้าเป็นเสียงสัตว์ไม่เป็นไรค่ะเสียงอย่างอื่นขออย่างนี้ถ้าเป็นเสียงสัตว์เล็กสัตว์น้อยดิงสิงสารสัตว์หนูไม่ไม่ไม่กล้วยกลัวกลัวจะเป็นเสียงอื่นเสีย เสียงกายทิพย์นี่ไม่ชอบนะพวกกทิพย์ทำไมเสียงอะไรนะคะอ๋อกาทิพย์กายทิพย์มีไหมคะหลวงพอ่อหลวงพ่อพูดอย่างนี้หนูหนูต้องหนูแอบกลัวลนะ่ออวะคือเขาเขาบอกว่าผีจริงไม่หลอกผีหลอกไม่จริงไม่เปรนไรไม่เป็นไรคะ่ะกาทิพย์อาจต้องเป็นไกาทิพย์ที่ดีเขาคงจะมาถ้ามีเขาคงมาช่วยดูแลปลุกผักลักษาะคงไม่ได้มาทําร้ายไม่ไม่ไกายทร้ายเราได้หรอค่ะ ได้คะ่ะเดี๋ยวยังไงหนูจะไปไปลองทดสอบบททดสอบกับตัวเองดูสักรอบหนึ่งเาาดี๋ยวไปหาหลวงพอ่อไปกราบหลวงพ่อนะค ะ, อะขอพบพระคุณเจ้าค่ะอคุณมาริการะว่าเพราะว่นนี่กูโลสาหายไปนะมริกายังอยู่เขาชีโ อ, อนอยู่หรือเปล่านึกกลับมาล้วอยู่กับชีโอนยังัยงไม่ได้กลับเลยอยังอยู่ชีโอนกันอยู่เลยค่ะก็กลั บ, กกลบไปวันเสาร์เจ้าค่ะ ก็วันนี้นะคะก็คือเป็นวันที่สามแล้วหลัจะมาอยู่เจ็ดคืนนะคะก็ะคือก็คือก็มีปัญหามีคําถามขึ้นมาแนะคะอาจารย์อยากจะถามอาจารย์ว่าเพราะว่าในขณะที่นั่งนะคะอาจารย์ก็นั่งนั้นมันไม่มีเวทนามีมีความสุขนะคะการนั่งแต่ความคิดนะคะอาจารย์มันคิดคิดคิดไปคิดแล้วดบับคิดแล้แดบับคิดไป หนึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วก็ก็ออกมาก็นั่งนึ่งชั่วโมงออกมาแล้วเข้าไปในชั่วโมงที่สองก็นั่งไปที่คลองที่สองก็ยังเหมือนเดิมก็คือเวทนาไม่เกิดแต่ความคิดมันเกิดแล้วขณะนั้นพอครสองชั่วโมงแล้วก็รู้สึกว่าเบื่อมากรู้สึกเบื่อเบื่อเบื่อมากก็เลยเขว่าทําไมจะเป็นแบบนี้เป็นเพราะอะไรแล้วก็ก็เลยมาเดินจงกลรมใหม่ ดังนั้นลูกก็มีคำถามว่าทำไมจึงมีอารมณ์ไม่พอใจหรือการเบื่อหน่ายในการปฏิบัติตรงนี้นะคะพอาจารย์ทั้งๆที่นั่งสมาธิแล้วยังมีความสุกอยู่ในจุดนั้นไม่มีเวทนาเพราเราอยากจะทำอะไรมันพอไม่ได้ทำมันก็เลยเบื่อนั่งเจอๆแล้วมันเบื่อเพราะไม่ได้ทำอะไร อยากจะท ำ, ทำนู่นทําน mm ี่กำลัลุกไปเดินแทนจิตยังไม่สงบจริงๆถ้าจิตสงบจริงๆมันได้อีก ม, มันจะเฉยมันจะไม่รู้สึกอะไรมันจะไม่เบื่อถ้าจิตสงบแล้วมันจะมีแต่ความสดชื่นเบิกบานแต่ใดว่าสติเรายังมีกําลังไม่พอที่จะทําจิตให้มันรวมให้มันแน่นจริงๆให้มันสงบจริงๆยังมีความคิดอยู่ ไม่จะังนงั้นต้อขยันต้องภาวนาต่อไปอย่านั่งเฉยๆถ้าใช้พุทธโธก็พุทธโธต่อไปถ้าใช้ลมก็ดูลมต่อไปอนะเข้าใจไหมก็ก็เขก็คือเหมือนกับวันนี้ในเหตุการณ์ผกดขึ้นเมื่อวันที่สอนก็คือเมื่อวานส่วนวันนี้นั้นก็คือเวลาภาวนานั่งภาวนาแล้วก็ ใช้เวลายาวเพราะอาจารย์ประมาณสามชั่วโมงลักษณะการปฏิบัติของลูกก็คือหนึ่งชั่วโมงแล้วก็จะหยุดพักนิดเึงเพื่อพิจารณาว่าที่ทําเมื่ อ, อกี้นี่เป็นยังไงแล้วก็นั่งต่อเมื่อชั่วโมงที่สามชั่วโมงที่สามรอบที่สามก็คือมันจะจิตมันจะว่างลงเหมือนกับตัวน็อตแต่อาจารย์ก็ตัวน็อตก็คือมันไข่กันไปแล้วก็ปึง้งปอกมันปึง้งแล้วก็มันก็จะดิ้งแล้วก็หยุดต า, า์ แต่อนนั้นก็รู้สึกว่าเออนั้นมันก็โอเคอยู่แต่ว่าก็ยังมีคําถามอยากจะให้ป้าอาจารย์อธิบายที่คำว่าเนสันชิกเพราะว่าตอนนี้นั้นยังมีโอกาสาที่จะได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่ในขณะที่มาอยู่ที่นี่ลูกอยากขอทราบว่าการปฏิบัติแบบเนสันชิกนั้นเป็นอย่างไรก็รู้สึกว่ปฏิบั ต, ติอือให้ถืออริยบทสามเท่นั้นเองคือเดินยืนกับนั่งไม่นอน ไม่เอ็หลังลงกับพื้นไม่นอนให้ยืนให้เดินให้นั่งถ้าจะหลับก็ให้หลับอยู่ในถ้านั่งหรือถ้ายืนไปเพื่อจะได้ทําความเพียรไ ด, ได้ได้มากขึ้นกันถึงในืสัตวน์นี่เพื่อที่จะได้ป้องคือไม่นอนอ่ะพูดง่ายๆก็คือไม่นอ น, นะอ น, อนเอาเวลานอนมาปฏิบัติตลอดเวลาอย่าหมดนอนหนึ่งวัน แล้วแต่เราจะกำหนดในสัจชิกจะกี่วันก็ได้หนึ่งวันก็ได้สองวันก็ได้สามวันก็ได้แล้วแต่ถ้าไม่ถูกเจริญก็ไม่ต้องทำอันนี้มันเป็นทางเลือกทำเลยบางคนไม่ถูกเจริญกันในสัจชิกแต่ไม่ถูกเจริญกับการอดอาหารเขาใช้การอดอาหารแทนก็ได้นี่เป็นมาตรการที่จะเสริมความเพียรจมให้เราปฏิบัติเข้มข้นมากขึ้น แต่ถ้าเราทำไม่ได้มันไม่ถูกเจเลยกเราก็อย่าไปฝืนเข้าใจไหมเ ข, าขา้าใจครับค่ะผู้ารย์แล้วก็ที่ผู้อาจารย์ไปสอนว่าให้ลองนั่งดูสิตั้งสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงหรือว่าหกชั่วโมงนี้มันเป็นแบบไหนคาารับผู้อาชีพก็คือแบบว่าให้ให้เราอยู่กับที่ไม่ให้เราเคลื่อนย้ายไปจากจุดที่เรานั่งแต่เราไม่เอามันจะไม่นั่งแบบให้มันจัดทุกขเวทนาขึ้นมา ถ้าเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาเราก็ลุกขึ้นมายืนก็ได้ขยับได้ยังไม่ต้องให้อยู่ขั้นที่ต้องสู้กับทุกขเวทนาให้อยู่ขั้นที่เราสู้กับความอยากที่จะลุกจากที่นั่งไปไปทานู่นทนํานี่เราจะไม่ให้มันไปยกเว้น ม, มันจะต้องเข้าห้องน้ำอย่างเดียวแล้วนั่งก็ต้องห้ามหลับนั่งแล้วก็ใช้ใช้สติใช้ปัญญาใช้สมาธิสู้กับ พิเลตการหาความอยากที่อยากจะลุกจากที่นั่งไปมันต้อง ม, มันมีตัวนึ่งก็คือความคิดต้องดับความคิดด้วยใช่หรือเปล่าก็จะดับไม้ดับดับไม่ดับก็ไม่เป็นไรก็อยากอยากลุกจากที่อยากอยากขึ้นจากจุดนั้นไปก็แล้วกันยืนได้นั่งได้แต่ไม่ให้ออกไปจากจุดนั้นยกเว้นเวลาไปเข้าห้องนนะ้ำนเะตอนนั้นจะใช้อะไรก็ได้ที่จะหยุดที่จะสู้ความอยากไม่ให้มันพาเราเอา ออกจากจุดนั้นไปแต่ห้ามหลับห้ามใช้ของภายนอกห้ามเปิดหนังสืออ่านห้ามห้ามฟังอะไรต่างๆ ใ, ใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาสู้กับมันเข้าใจไหมจจแต่ไม่ได้ถึงขั้นกับบางคำใ ห, ให้ให้ต้องต่อสู้กับความเจ็บ ถ้าความเจ็บมันต้องนั่งแบบไม่ขยับร่างกายเลยแต่นี่มันจะรุนแรงมันหนักเกินไปสําหรับผู้ที่เริ่มต้นใหม่ๆเอาเพียงแต่เอาให้มันไม่ให้มันแม่ให้เคลื่อนไปเคลื่อนมาแม่ให้มันย้ายไปนู่นมานี่ย้ายไปนูน่นย้ายมานี่ให้มันนั่งอยู่กับที่สักหกชั่วโมงเงี้ยหรือแล้วแต่ชั่วโมงแล้วแต่เราจะกําหนดแล้วแต่เราคิดว่าเราจะทําได้เท่าไหร่เราก็ลองทำทำไปเท่านั้นตามกำลังของเราเดีเพื่อปราบความอยากปัญหา เนี่ยลองทำดูถ้าอยากจะอยาจะรู้ว่าเราเกับความอยากใครากเก่งกว่ากันมันเก่งกับเราแล้วเราเก่งกมันเราคุมมันได้ไหมเราหยุด ม, มันได้ไหมเ จ, จ้านะงเจ้นีอาจารย์น้อมนำคำสอนผาาู้อาจารย์ปฏิ บ, บัติเจ้าแผงผู้อาจารย์ท่าสาธุเจ้าคุณตายวัทยาเนี่ยงานนี้พันธุ์นงการนสัส ก, การค่ะ สินแปดหายไปแล้วเช่นนี้ออกปรรษานละ้ไม่ค่ะก็เป็นบางวันก็ยังทําอยู่ค่ะพระาอาจารย์ถ้าเจอผู้คนก็ยังออกไปกลนคืนบ้างมีบ้างค่ะพระาอาจารย์แล้วแต่อโอกาสนะถ้าไม่มี <ไป S 1> ก, ก็ถือสินแปดถ้ามีก็ถือสินห้าไปใช่ค่ะพระอาจารย์ก็สินห้ายังเหนียวแน่นอยู่ค่ะก็ดีวันนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์เข้าห้องมาฟังธรรมค่ะโอเค พยายานั่งสมาธิทุกวันด้วยด้วยนะค่ะพระอาจารย์จะจะพยายามค่ะขอบคุณค่ะเด็กเด็กเด็กเขยังนั่งกันได้วันละสาสิบนาทีเลยเผู้ใหญ่ซูเด็กไม่ได้เ<笑><笑>โอเคพยายามค่ะพระอาจารย์พยายามดูอาจจะเริ่มจากวันละสิบนาทีก่อนก็ได้สิบนาทีแล้วค่อยเพิ่มเป็นสิบห้ายี่สิบไปค่ะได้ค่ะพระอาจารย์ โอเคสาธอ่าคุณก็เป็นไงวันวันละมือได้ไหมจริงจริงปฏิกูลนัง่งวันละมือไม่ได้แต่ว่าแต่ว่ า, วาคือที่ทําได้ตอนนี้ก็คือว่าเออ่แบ่งอาหารกินแล้วก็กินแล้วก็จะไม่แถมเพราะว่าที่บ้านครอบทําอาหารเยอะแล้วก็ชวนกินก็ก็พอกินแล้วพอรู้สึกว่าเท่านี้ก็คือเท่านี้จริงๆก็คือจํากัด ส่วนส่วนกินหลังยังทําไม่ได้แต่ว่าช่วงนี้พอดีจัดการชีวิตอะไรเยอะแยะก็เลยรู้สึกว่าจิตใจสงบขึ้นครับอืมก็ดีแต่ว่าน้ํําน้าหนักเนี่ยผมก็พยายามแบ่งอาหารแล้วก็กินให้ถูกสมรสมลักษณะส่วนโภชนาการนี้ยังยังยังไม่ได้ทําครับแต่ว่าช่วงนี้รู้สึกว่าพอได้ฟังพระธรรมคําสอนของพระอาจารย์แล้วรู้สึกว่า ชีวิตมันมันสบายขึ้นคือที่พระอาจารย์สอนเรื่องให้ทําตัวเป็นภาคคิดลิ้วอะไรเงี้ยครับพอได้อ่านประโยคที่พระอาจารย์พูดแล้วรู้สึกว่ามันชัดถ้อยชัดคําแล้วก็รู้สึกว่าการที่เราไม่ได้ไปเราอาจจะมีมีอยู่ในระดับหนึ่งแต่ว่าการที่เราไม่ได้ไปให้คนนั้นคนนี้ต้องมาเอาใจหรือว่าเป็นใหญ่เป็นโตอย่างเงี้ยมันทําพอเราคิดแบบนี้หรือว่าเราดําเนินชีวิตแบบเนี้ยทาให้เรามีความสุขมากขึ้นครับ ดีมากอย่างเห็นได้ชั ด, ดแล้วก็วันวันนี้ก็ขอกราบมูทิตาส ก, การะครับเดี๋ยวจะขอรับใช้พระอาจารย์บ้างด้วยการปฏิบัติเท่าที่กับผมมีกำลังที่จะปฏิบัติตามครับสาธุอาจารย์พระอาจารย์ก็พยายามเขี้ยวเข็นผมก็ดีใจที่ที่ที่ที่ได้มาอยู่ตรงนี้ครับขอให้ด้วยขอให้น้ำหนักลดไปตามลำดับครับ ครับอาจารย์ติครับนี่คือจุดอ่อนของเราเราต้องสู้นะนะความอยากกินนี่ต้องเจรณาปฏิกุณบ่อยๆครับต้องจุดเลยครับก็มีอาจารย์ที่แก้วเขีนนึกถึงว่าอาหารเวลามันออกจากร่างกายเราว่าไม่ใช่เวลาจะจะเข้านั่นกายเราอย่างเดียวมันเข้าแล้วก็ต้องออกนะสงสัยต้องเริ่มกินมื้อเดียวแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้ยที่บ้านจัดอาหารก็ จัดจัดทำมาได้อย่างเดียวก็กินกินตอนเที่ยงเนี้ยครับก็เดี๋ยวเริ่มก็ทําใหม่ละกันนึงจะได้ตรงจุดกับปรภพยาบครับแต่ว่าสมาธิได้ความสงบมากขึ้นงานก็รู้สึกว่าเราทําแล้วปีนี้ยอดตกครับอาจารย์แต่ว่าเราได้เรียนรู้อะไรเยอะแล้วก็ทําให้เรามีความสุขมากขึ้นกว่าตอนที่เรายอดยอดเยอะๆครับตอนเดินเราไม่มีอะไรแน่นอนอาจารยมีขึ้นมีลงเป็นธรรมดานะอย่าไปทุกข์กับมัน เริ่มเริ่มไม่ทุกพอทุกแล้วพอมันฟังพระธรรมพระอาจารย์แล้วก็เอามาพิจิตพิจารณาครับก็พิจารณาอยู่นานเป็นหลายเดือนนะครับแล้วก็เกิดความรู้ความเข้าใจที่มากขึ้นแล้วก็เราใช้ชีวิตแบบว่าขึ้นหรือลงก็ได้ครับอาจารย์แต่ว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้ลงอะไรขนาดนั้นแต่ว่าหมายถึงว่าความรู้สึกหนึ่งความรู้สึกนะครั บ, รบขอบพระคุณคพระอาจารย์อีกครั้งครัครบอสมันจุบเชิญโกเบกลับถึงโกเบแล้วเหระ นมัตการพระอาจารย์เจ้าค่ะกลับถึงแลาวค่ะอาจารย์วันนี้หนูมีคําถามเจ้าค่ะพอดีหนูได้หนังสือเวบญจังค่ะว่าสูตรจากพระอาจารย์มาเพิ่งมาได้ศึกษามหาสติปัฏฐานสูตรน่าสนใจมากๆเลยเจ้าค่ะหนูมีคําถามก็คือในมงคลสูตรนะคะพระอาจารย์มงคลมงคลสามสิบแปดค่ะประพฤติอย่างพรมนี่คืออย่างไง ก็ในธรรมะไงถือสิ่งแปดไงไม่ไม่เสพกามผมก็จะไม่เสพกามรก็จะก็จะไปเสพสันเสพสมาธิเข้าฌานแทนก็คือสมาธิต้องถือสี่งแปดในธรรมะหลวเว้นจากการเสพกามก็คือถือสิ่งแปดไม่ดูหนังฟังเพลงไม่กินเนื้อหาหลังจากเที่ยงวันไปแล้ว บางจีจได้เวลาที na, <lk> ne CO, at, ่เศษการมนี้ไปให้กับการนั่งสมาธิเพื่อทําใจให้สงบให้เข้าฌานแทนเอาความสุขจากความสงบแทนที่จะหาความสุขจากรูปเสียงขลิบเป็นี่ยนวิธีหาความสุขพวกเทพนี่หาความสุขจากเวบเสียงกินแล้วพวกเทพพวกมนุษย์แต่พรมนี่เขาไม่หาความสุขจากเวบเสียงขลิบแล้วหาความสุขจากการเข้าสมาธิเข้าฌาน พอจะเข้าใจแล้วก็คอะประเภทอย่างผมคือเป็นแบบนี้เองอันนี้สอนไม่ขั้นขั้นไปเลยขั้นไม่ถึงขั้นนิพพานขั้นสุดท้ายอันนี้ผ่านมงคลสามที่แปดนี่นับตั้งแต่ครบคนัวให้เรื่องครบคนฉลาดอย่างนั้นแนละ้วพบคนโวเงาะคนขคนฉลาดเขจะให้สอนเราเรื่องดีๆให้เราขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เยี๋ยวมคุณแล้ มงคลสามนิพพานนี้เป็นขั้นบันไดสู่พระนิพพานเข้าใจไหมอ๋เป็นเป็นขั้นขั้นไปจนถึงใช่ถ้าเราปฏิบัติตามตามขั้นตอน่นี้ได้แล้วเราก็จะไปถึงนิพพานได้อย่างแน่นอนวันนี้แบบละเอียดพระเจ้าทรงแสดงแบบละเอียดเพราะส่วนหนึ่งอาจจะสรุปมื่อแปดนี้เป็นต้นแต่มงคลส่วนนี้มันละเอียดกว่าขยายความให้มันมันเป็นขั้นขั้นซอยเป็นขั้นขั้นไปเลย อก็คื อ, อเป็นตรงไหน ม, าม้าง ไ, ไม่เข้าใจขั้นไหนบ้างอ่ะไม่เข้าใจคือมีอันหนึง่งคือ อ, อันไหนหน้าที่หนูอ่านเมื่อกี้ความเห็นส ม, มณะทั้งหลายก็ได้พบกับพระเนี่ยบุคคลทั้งหลายส ม, มณะคือผู้สงบได้พบกับพระโสดาบันพบกับพระสกิณาคามี จะ ไ, ได้เรียนฟังได้ได้ฟังธรรมะจากท่านเลยอ๋อเข้าใจแล้วค่ะนาาี่แน่ละต่อจากข้อนี้ก็จะเป็นการเจรจาธรรมโดยการก็เหมือนการสนทนาธรรมแบบนี้ใช่ไหมเจ้าคะการเจรจาธรรมโดยโดยกายเลยค่ะความเห็นถัดจากความเห็นสมณะทั้งหลายก็คือถัดไปก็เป็นความเจรจาอาจจะเป็นการสนทนาธรรมก็ได้ในการพิจารณาธรรมก็ได้ การที่เรามาคุยกันนี่ก็เป็นการเจ ร, าเ จ, ราจาทำคุยแต่เร่องธรรมะอืมโอเคพอพอเข้าใจแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์อืมขอบขอบพระคุณเจ้าค่ะส่วนสติประธานส่วนนึนนกําลังอ่านอยู่เจ้าค่ะอ่าสติประธานส่วนนี้มันแบ่งเป็นสามขั้นตอนของการปฏิบัติขั้นตอนแรกให้ฝึกสติให้นั่งสมาธิด้วยการใช้อนาปานสติอืม แล้วพอได้ฌานแล้วก็ไปท่านปัญญาพิจารณาตายรักในร่างกายในเวทนาในจิตต่อไปแบ่งมันสามขั้นด้วยกันน่าสนใจมากๆเลยเจ้าค่ะแล้วก็ยาวพิสูจน์ในเล่มเลยเจ้าค่ ะ, อ, ะ อ, อันนี้หละเป็นประสูตรที่สําคัญพผู้เจ้าบอกใครปฏิบัติตามได้ไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีต้อ ว, วัรูปธรรมอย่างอย่างนั้นก็ขั้นพระอนาคามีขึ้นไป นูนูอ่านตรงนี้คลิพระอาจารย์เป็นเป็นคําจากพระอาจารย์สุชาติพระอาจารย์สุชาติสมัยที่เริ่มปฏิบัติใหม่ๆพระอาจารย์จะท่องสติปัฏฐานสูตรแล้วปฏิบัติใช่แต่มันแบบฉบับย่อเนีมันไม่ใช่แบบแบบแบบมหาสติปัฏฐานสูตรมหาสติปัฏฐานมันจะละเอียดมันจะมันจะมันจะซ้ํามันจะมีซ้ําเยอะอืมน คือตอนต้นเรานั่งสมาธิไม่ได้ก็เลยสายเท่านี้ไปเป็นนส่วนบนเลยแต่ส่วนมนเป็นภาษาที่เราเข้าใจก็มันจะได้ทั้งปัญญาด้วยได้ทั้งสมาธิได้ทั้งสติด้วยนั่งสมาธิได้พออท่องเสร็จก็นั่งต่อได้มีสติพอที่จะดูลมหายใจต่อได้คือตอนที่พระอาจารย์ทําตอนนั้นคือพระอาจารย์ยังยังไ ม, ยงไม่ยังไม่บวชใช่ไหมเจ้าคะยังยังเป็นเพิ่องออกจากงานเด็นฆราวาสจะ จะปฏิบัติอยู่ปีหนึ่งจะ mm hmm. ทดลองปฏิบัติอยู่ปีหนึ่งแต่ยังไม่โวยยังไม่คิดจะบวยไม่รู้จะโบยหรือไม่ตอนั้นพีชคิดว่าอยากจะไม่เวลาให้ต่อการปฏิบัติแต่รูปแบบไม่ต้องไปทํางานทําการเพรเวลาทํางานแล้วมันรู้สึกมันสวนทางกัง mm hmm. ทํางานใจต้องคิด mm hmm. เวลาปฏิบัติทำเราต้องการหยุดความคิดนั่นเลยสวนทางกันการ การท่องแบบนี้มันจะช่วยให้เราแบบเวลาที่เราปฏิบัติแล้วมันก็จะขึ้นมาให้สอนเราใช่ไหมเจ้าคะมันก็มีส่วนถ้าเราเข้าใจความหมายของที่เราอ่านท่านสอนให้เราพิจารณาการสามสิบสองเนี่ให้พิจารณาสร้างศพสิบชนิดเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของปัญญาต่อไปจะเราท่องไว้ก่อนก็ได้ท่องจาไว้ก่อน เราจะได้นั่งนั่งสมาธิได้นานเนี่ยถ้าถ้าเรานั่งเฉยๆมันจะนั่งได้ห้านาทีสิบนาทีมันก็อยากจะลบว่าแต่ถ้าเราต้องท่องทองต้องท่องพระสูตรนี้ให้มันเสร็จนี่มันต้องใช้เวลาต้องสี่สิบนาทีขึ้นไปม้าว่าได้รับเพลนเพลนกับการนั่งท่องบทนี้แลวท่องเป็นภาษาที่เราเข้าใจได้ ย, ยิงย่งดีใหญ่ภาษาไทยเราจะได้เข้าใจความหมาย หนูจะน้อมนำเอาไปปฏิบัติเจ้าค่ะพระอาจารย์เราทำดูเถอะนะเราท่องดูให้ได้อย่าเปิดหนังสืออ่านนะต้องท่องให้มันอยู่ในใจเวล้นั่งสมาธิเราจะได้รับตาแล้วก็ท่องไปภายในใจแล้วค่ะเราจะลองแ ล, <ำ>แล้วก็เราจะนั่งสมาธิได้นานขึ้นกลับขอบคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะสาธุมีแพทย์ทัดแข็งนะเจ้าค่ะขอบพระคุณพระ ไปที่คุณเน่งตาคุณหน่งบานวมานการเจ้าค่ะพระอาจารย์วันนี้ไม่มีคำถามเจ้าค่ะไปลงสายแล้วนะทุกอย่างเยอไหมไม่ยินไหมเสียงหายไปแล้วสดาสัญญาณไม่ค่อยดียินไปก่อนนะคุณเน่งไปที่คุณคุณหมอสุทัศนีตา ธรัมสถานต้นพราะจารย์เจ้าค่ะลูกไม่มีคําถามเจ้าค่ะแนวปฏิบัติอยู่นะปฏิบัติเจ้าค่ะอ่เก้าวหน้าและก้าหลังลูกคิดว่ามันอ่าน่าจะเปลี้ยเจ้าค่ะวันพระนี้เดี๋ยวโยมไปที่ธรรมะนาคุติพระดีไเชิญอจากคุนึดงว่าช่วง ปลายปีก็จะหาโอกาสไป็นปีวิเวกเจ้าค่ะท่านพระอาจารย์เออนองดูบ้างก็ดีเหมือนกันนะเป็นที่เปลี่ยนที่บ้างมนจะกระตุน้นความเพียรเราให้ดีขึ้นเจ้าค่ะท่านพระอาจารย์โอเคขอบพระคุณเจ้าค่ะ<อ>ถ้าอยู่ที่บ้านเนีกก่ยจะกระตุ้นความเพียรก็ลองอดอาหารดูบ้างก็ได้ถ้าทำได้ถ้ามีโอกาสเจ้าค่ะเวลาอดอาหารมันจะมันจะหิวมันจะต้องภาวนาเพืจะได้ดับความหิวได้ เจ้าค่ะท่านพอาจารย์ขอบพระคุณค่ะอดูอ่คุณตางเวาลาเชิญกล่าวนว่าการ์เจ้าค่ะพระอาจารย์ช่วงนี้ก็ยังใช้ใช้สามยอพระอาจารย์อยู่ค่ะอ่ใช้ผลดีอยู่นะในผลดีจ้ะ ห, หนูกน็ทุกครั้งที่หนูเจอเจอหลายๆเคสขนาดหนูก็จะนิ่งค่อนข้างนิ่งเต่ ในในความนิ่งของหนูที่เจอเคสก่อนน่ะหนูจะรู้สึกว่ามีความอดทนอดกันต้องอดทนอดกันมันก็คือความอดทนนะคะพอสักพักหนึ่งพออดทนได้แล้วเราก็ยอมรับแล้วเราก็หยุดแล้วพอหลังจากนั้นมันก็เย็นเหมือนที่พระอาจารย์สอนนะคะแต่ก่อนก่อนที่มันจะหยุดมันที่มันจะอ่ายอมรับความจริงอันนั้นได้คือใช้ความอดทนมากๆะคะ่ะหนูก็เลยยังไม่มั่นใจว่าไอ้สิ่งที่หนูยอมยอมอะ่ะ มันยอมมาจากความที่แบบเรารู้หรือว่ามันมามาจากด้าทางด้านแบบนั่นใจข้างในโดยตรงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังพยายามต่อไปค่ะเพราะว่ากันอยู่ทั้งโลกค่ะกันบ้านยังมีมาเรื่อยๆค่ะในเสานี้เดี๋ยวว่าจะขอไปไปอุทยานประวัติศาสตร์ที่อุธยาเพราะว่ารู้สึกว่านั่งที่บ้านหรือนั่งที่วัดมันไม่ค่อยถึงใจถ้าไปไปนั่ง ไปตามบุทยานประสาทเรวมันทําให้เราขาถ่ายขึ้นน่าจะนั่งสนุกขึ้นอะมันน่านจะเข้าป่ามากกว่าที่เรอุทยานเนี่ยมันเป็นคนพุกพ่าน้าคนไปเที่ยวกันหนูจะไปใช่อะหนูอยากไปเข้าป่ามากเลยเดี๋ยวหนูก็กล่าวว่าหนูหนูจะพลา ง, งานแล้วก็ก็จะไป<ม>ไปกางเต็นท์นอนเหมือนที่เคยทําแล้วก็ลองนั่งอะ่ะแต่ว่าอัน<ม>น่าจะยังไม่สะดวกเดี๋ยวอาจจะใช้วิธีนี้แต่ว่า ที่ที่หนูไปจะไม่ค่อยมีคนเดินผู้ภานะมันก็จะเป็นอย่างเช่นพระตำหนักเก่าๆซึ่งไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวที่ฮิตๆอะไรเงี้ยค่ะไอก็ไปนั่งเอาเหมือนกลัวค่ะอาจารย์ก็ไปไปเอาเรื่องไปไปเอาไปตัดเรื่องความกลัวออกเนี่ยค่ะก็ก็มีสมาธิดีค่ะหนูชอบแบบนี้ลอนอู่ขอบคุณพระอาจารค่ะอสาธุคุณบนามออริก เซรล้มมันทาแล้วเ็ี่ยซาร์เรมแบบมาเทกาลค่ะอาจารย์ดูยังปฏิบัติอยู่เจ้าค่ะแล้วก็เมื่อวันค้ายวันเกิดเมื่อวันที่สองที่ผ่านมาก็ได้ไปปิวิเวกอยู่คนเดียวเจ้าค่ะสงบสีเจ้าค่ะก็จะมีคนที่บ้านก็ยังมีอารมณ์ กับเรื่องเลือกตั้งที่ผ่านมาก็เดี๋ยวมันก็ผ่านไปสองสามวันไม่ก็เลน้ยงกันนะใช่ไหมก็ดาเนินต่อไปใช่ค่ะลูก็บอกว่ามันเป็นใจรัดเองควบคุมมันไม่ได้ก็ให้อ่าอยู่กับมันอย่างแต่แต่เขาก็เครียดนะค่ะนี่ก็นี่ตอนนี้ก็กําลังเครียดอยู่ก็อย่าไม่ติดตามอย่าทํามันไม่รู้ไม่ชี้ไปมันเลยใช่ค่ะแต่เขาจะเมื่อคืนก็ นอนคือตื่นมาดูเรื่อยๆอะคะ่ะไอ้เราก็กังวลกลัวว่าเขาจะเป็นอะไรไปพอไปกระตุ้นอารมณ์เขาอยู่เราบอกเราทําอะไรไม่ได้มันเป็นอ น, นิจจังก็ค่อยๆปลอบประลมไปอคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะค่อยๆดีขึ้นมีหน้าที่ไปลงคะแนนเสียงก็ลงไปแล้วก็จบผลยอดวายไงก็เป็นเรื่องของผลนะไม่เกี่ยวกับเราเนอะ ยังไงก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วก็ยังต้องจ่ายค่าน้เค่าไฟอยู่ยังต้องจ่ายค่าภาษียอยู่ใช่สำหรับแกรู้ก็ิกง่งค่ะก็ปฏิบัติค่อยๆดูแลเข้าไปะ่ะคะเพราะว่าเวลาเขาเป็นไรมาเขาจะชอบมีอาการเหมือนลมเดินไม่สะดวกรู้สึกแบบเป็นอาเาเรียกอะไรคะ เขาจะมีอาการเลงคือเครียดมากอะค่ะเวลาเขาถึงชอบอยู่คนเดียวก็ค่อยๆให้กำลังใจค่อยๆดึงสติเขากลับมาเดี๋ยวก็จะค่อยๆดีขึ้นโอเคช่วยกันดูแลกันไปนะได้ค่ะดูแลธ ร, ะ, ลก ร, ราาะก า, ร า, าอาจารย์ใช่ใช่ใ่จรก็ลูกตาลต่างลูกตาลรรมะสการค่ะอาจารย์เป็นยังไง ถอดเทปอยู่เลยยังถอดตรมะ่ค่ะตอนธรรมะค่ะตอนนี้ถอดเรื่องความหลงค่ะกานนี้ใช้เวลากี่วันอะอ่าไม่เกินสามวันค่ะถ้างานถ้างานน้อยๆก็สองวันเสร็จค่ะวันละครึ่งชั่วโมงค่ะอาจารย์ถอดวันละครึ่งชั่วโมงนะครึ่งหมายถึงครึ่งชั่วโมงของของคลิปใช่ค่ะครึ่งชั่วโมงจะใช้เวลาหนึ่งถึงสองวันค่ะ หนงวันหนึ่งถึงสอวันที่หมายถึงตารางเวลาเลไรอย่าเงี้ยนะเวลาว่าก็จะมีเว้นทํางานบ้างค่ะอาจารย์ถ้าสรุปโดยชั่วโงนี่พวรจะประมาณได้ไหมว่าการหนึ่งเช่นการเทศเราประมาณชั่วโมงนี้เราจะใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่เดียร์ถอดเสร็ตอนนี้จะไม่เกินสามวันค่ะส่วนใหญ่ตอนนี้จะสองวันค่ะอาจารย์ไดแต่สองวันในสองวันนี่มันกี่ชั่วโมงวันยาสองวันวันหนึ่งเหรอคะ ก็หนุกน่าจะอยู่ประมาณหกชั่วโมงค่ะหกชั่วโมงต่อวันที่เราถอนดนี่เลยค่ะไปจ้ะอืมก็เยอะเหมือนกันนะเยอะค่ะยิ่งยิ่งของทุกคลิปอะค่ะสิบนาทีสุดท้ายอะคือยากที่สุดค่ะทำไมเนี่ย เพราะว่ามันเหมือนกับว่าจะเป็นการเทสสรุปของพระอาจารย์นะคะแล้วก็ในสิบนาทีเนี้ยค่ะมันจะได้ออกมาอีกประมาณห้าถึงหกหน้าเลยค่ ะ, ะจะไม่เหมือนสิบนาทีแรกค่ะมันมันจะช้าตรงตรงช่วงที่พูดช้าหน่อยนกควรเลือก <c oughs> ทบทบไปไม่ก็ก็ละเอียดดีค่ะพระอาจารย์เหมือนกับว่าสิบนาทีสุดท้ายมันก็จะเป็นการสรุปตั้งแต่ต้นจนจบมาค่ะพระอาจารย์ก็เลยเนื้อหาย โดยวิธีเวลาถอนนั้นเปิดเปิดเปิดเดสียงฟังเอาแล้วค่อยแล้วค่อยถอนเขีนลงไปเลยด้วยใช้พีมเอาเลยค่ะพิมก็ฟังทีเราประโยคแล้วก็กดกดพอร์ตแล้วก็ ก, วก็เราก็พีใหม่อย่างเงี้ยค่ะถ้าถ้าคําไหนแบบฟังไม่ไม่ทันไม่ไม่แน่ชัดก็ก็จะก็จะกลับไปสักสิบวิใหมใหม่ไม่วายให ม, ม, ม่กลับไปกลับมาสิบวีอย่างเงี้ยค่ะเรื่อยๆอ แล้วหนูก็จะไฮไลท์เนื้อหาสำคัญไว้ให้ด้วยค่ะที่หนูตอนมาทั้งหมดนี้ได้ได้กี่กันเท่แล้วหนูก็วันนั้นหนูนับแล้วหนูก็ลืมไปก็น่าจะได้ประมาณเออใกล้ๆยี่สิบค่ะยี่สิบกันนะค่ะอืมก็มีคนเอาไปเอาไปโพส ต, ต่อให้เลยก็หนูหนูก็ฝากกับ แอดมินเอาไว้ค่ะว่าถ้าใครจะใช้เป็นประโยชน์ก็จะได้จะได้ให้ให้ไปได้เพราะว่าตอนแรกมันก็เริ่มจากที่คุณแม่เนี่ยฟังเทศของพรอาจารย์แล้วแฟังไม่ทันแล้วก็ไปถามพี่แก้วค่ะว่ามีแบบตัวตั ว, ต ว, ตวที่ถอดไหมอะไรพี่แก้วก็บอกว่าคนอาจารย์ที่ถอดตอนนี้อายุเยอะแล้วก็เลยไม่ไม่ได้ไม่ไไมค่อยได้ทำต่อค่ะ mm hmm. ก, ก็เลยได้อาสายรับช่วงต่อเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์เค่ให้ให้คนได้อ่านนะคะ แล้วหนูก็ได้ประโยชน์ด้วยใช่ไหมได้เยอะมากเลยค่ะอาจารย์พอเวลาฟังก็ลองฟังให้เกิดความเข้าใจด้วยใช่ไหมใช่ค่ะมีอันหนึ่งที่ที่มีเป็นการเลิกให้อดเลิกเรื่องช็อปปิ้งอ่ะค่ะอาจารย์หนูฟังแล้วหนูก็ลองเอาไปทําดูค่ะที่อาจารย์ให้เอางเงินไปทําบุญทําบุญแบบเพื่อให้ใจมันอิ่มอ่ะค่ะเพราะว่าการ ปมันมันไม่ได้ช่วยให้ใจอิ่มเราก็จะอยากได้เรื่อยๆใช่ไหมคะมแล้วของมันก็เต็มบ้านแต่ถ้าเราไปทำบุญเนี่ยมันก็จะติดตัวเราไปแล้วก็ทำให้ใจอิ่ ม, มหนูก็ทำต่อเนื่องค่ะตอนนี้ก็ยกเลิกเลิกช้อปปิ้งได้ละเนี่ยเลิกได้แล้วะคะ่ะก็จะแบบมันก็จิตมันก็จะอยากจะทำบุญแทนนะคะช่วยคนจนซื้ออะ ซื้ออาหารหมาอะไรเงี้ยทุกครั้งที่อยู่อยากช็อปปี้หนูก็จะเอาเงินไปซื้ออาหารหมาไว้เลี้ยงหมาจอรค่ะอ่ามีความสุขใจอิ่มใจมากกว่านะใช่ค่ะมากกว่าเยอะเลยค่ะอดีดีมากค่ะค่ะอาจารย์ทําต่อไปนะถ้าทําได้ก็ทําต่อไปค่ะจะทําต่อไปเรื่อยๆค่ะจะได้ไว้ใช้ประโยชน์ได้ค่ะอาจารย์อ่ะต่อไปที่คุณคุณชีวินุชนะชีวนุชพรเมฆิด อยู่ที่ไหนบ้านอยู่ที่ไหนโยหนูเป็นคนวัดนามาตูมเจ้าค่ะอแต่ว่าจะอยู่สาขาแก้วแล้วเจ้าค่ะมาเปิดธินิที่าขาแก้วได้สิบปีแล้วเจ้าค่ะคือ อ, อยู่ในป่าเจ้าค่ะอยู่กันแค่สองคนแล้วก็หนูอธิษฐานแล้วว่าหนูจะทำอริยะทรัพย์หนูก็ตั้งใจทำํำเจ้าค่ะคือทํางานน้อยแล้วก็ลดอาหารที่ประเภทที่ว่าที่มันจะต้องเป็นต้มเป็นแกง กินเป่าๆต่างๆเจ้าค่ะกําหนดแล้วก็ควบคุมให้เราอยู่ในปรมิมาณที่พอดีอะเจ้าค่ะแล้วง่ายอยู่ง่ายเกิงง่ายใช่เจ้าค่ะลดทุกอย่างค่ะเจ้าค่ะคือต้มแกงข้าหนูแบบว่ามันแค่ว่ามันผัดอะไรก็หนูว่าอย่างนั้นจะเจ้าค่ะข้าวก็นับนับรับจํานวนได้ทานน้อยลงค่ะเจ้าค่ะแล้วก็ดูดูแล้วมันทําให้แบบว่า คือทําทุกวันคือตั้งใจมั่นแล้วก็ตอนนี้หนูอายุห้าสิบหกแล้วหนูก็ดูคนไข้แค่คนเดียวเจ้าคะ่ะแต่คนเดียวเนี่ยมันมีทุกคเวทนาเยอะเจ้าคะ่ะแล้วตัวเราเองก็มีทุกขาเวทนาคือเมื่อสี่ห้าวันนี้หนูไม่ไม่สบายแต่หนูลองดูพิจารณาดูว่าบางอย่างเราก็ไม่ทันยาเราดูดูว่ามันเป็นอะไรมันเกิดอะไรแล้วเราปรับเอาพอถึงเวลาเสร็จพระอาจารย์เจ้าคะ่ะมันมีนี่เจ้าค่ะ จิตมันบอกหนูหนูไม่รู้หนูเพิ่ไว้เองหรือเปล่าอ่าคะค่ะมันบอกหนูว่าคือหนูฝันเห็นเห็นว่ามันเหมือนเป็นคนที่เหมือนเหมือนเป็นเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนเหมือนปีศาจเหมือนของเหมือนกับป้าเป็นประหมึก ค, ค่ะเจ้าค่ะแล้วมันใช้ลิ้นเข้ามาที่ปากเราเสร็จ แ, แล้วมันมาอบ ก, กอดเราข้างหลังแต่หนูก็ดูดูว่าหนูกลัวไหมหนูก็บอกว่าในฝันนะเจ้าค่ะตายก็ตายเข้าพระเจ้าก็ไปต่อพันมาพอถึงเวลาเสร็จ โอ้โหมันมีอาการเจ้าค่ะเวลาเราจะจินดานซึ่งมันจะนิดเดียวอ่ะค่ะมันมีแต่ละอย่างมันก็มันทํำมีเกิดอาการเหมือนจะติดคอเหมือนจะตายเหมือนจะระย่าเจ้าค่ะหนูก็ดูมันดูว่ามันเป็นยังไงเรากลัวไหมเราปล่อยปล่อยแล้วก็เอาตายก็ตายตายก็ตายแล้วก็มองมองมาใช้เวลาประวานเจ็ดวันเจ้าค่ะแล้วก็ดูดูถ้าเดินถ้าถ้านอนแ่บว่านั่งไม่ได้ก็นอนนอนพาวนาเท่าที่เราทําได้เจ้าค่ะพอถึงเวลาเสร็จนะคะอาจารย์ หนูคิดไปเองหรือเปล่ามันมีเสียงบอกว่าขอบคุณนะที่เธอเอะอโหสิกรรมและตรงนั้นนะเธอไม่โกรธฉันฉันไปแล้วนะให้เธอตั้งใจทําต่อไปเจ้าค่ะหนูก็ไม่ได้คิดอะไรแต่หนูว่าคือคื อ, คอพอเหตุมันเกิดขึ้นนะเหมืนที่พระอาจารย์บอกว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเวลาเราเข้าสมาธิมากอะมันไปแต่ละอย่างจริงบางครั้งเนี่ยมันมันเหมือนกับเดี๋ยวนี้นะคะตั้งแต่พระอาจารย์สอนหนูมากเนี่ยหนูแทบไม่ฝันเลยไม่ฝัน นอนจะรู้ตัวแต่ว่าจิตอะมันจะคำว่าโลดโผนมันน้อยลงเช้าคะ่ะมันจะแต่มันจะชัดเจนกับตัวเองว่า อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็นอย่างนี้นะแต่เราต้องสำรวจด้วยสินทุกวันเจ้าค่ะแต่หนูว่าใช้แต่สินห้านะเจ้าค่ะพระอาจารย์พระดุษฎีจะอนแบบต่างๆอยู่แต่ว่าในเรื่องเพศสัมพันธ์อะไรก็ไม่มีเจ้าค่ะแต่ว่าคือคือคิดว่าสินห้าเนี่ยเท่าที่เราทําได้เนี่ยคือพี่พีพ่ในภาษาที่มาเนี่ยค่ะทั้งสองคนสามีภรรยาต่างคนต่างรักษาสินทาสมาธิตั้งใจเจ้าค่ะว่าจะทําแล้วก็ตัดทุกห่วงเจ้าค่ะเท่าที่ดูทําได้ตอนนี้บ้านเนี่ยเหมือนสารวัตร จนติก็เท่าจากนั้นและอดิษฐานว่าคนไหนที่ไม่ใช่เหตุกับเราจะไม่ยุ่งเราจะไม่ไปดูอะไรเราจะมองว่าผู้เจ้าให้ทำอะไรก็ทําจากนั้นแล้วก็อยู่ในอารมณ์ที่แบบที่มันมารู้สึกเฉยๆค่ะจ่ า, าเจ้าคะอย่างสมมติว่าเขาตื่นเต้นดีใจมาหรืออะไรเราก็เฉยๆมันก็มองผุนมันเป็นธรรมดาเจ้าคะ่ะแม้แต่ว่าเห็นใครเขารวยหรือต่างๆเรือ่อเราจะมองว่ามันจะอยู่กับอารมณ์ของเมตตาไม่มีประมาณเจ้าค่ะบัดว่าถ้าคนไหนเขามีทุกข์ เราก็ช่วยเท่าที่เราช่วยได้เราฝึกอารมณ์อุเบกขาไม่ใช่เฉยๆอย่างเดียวแต่มันต้องมีปัญญาพยัยามหนูพยายามยกจิตขึ้นขึ้นให้เรารู้เท่าทันอ่ะเจ้าค่ะโดยที่ไม่สนใจว่ามันคืออะไรแต่ให้มองว่าเหตุที่เกิดอ่ะมันเป็นเหตุของเขาเราแค่เป็นแค่ตัวรู้ตัวรู้มันจะเด่นชัดขึ้นเจ้าค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์เคยเจอหนูแล้วหนูมาอยู่ป่า น, นี่สิบปีแล้วเจ้าค่ะจากวัดนนมตูงที่วัดตรงข้าฝันนะเจ้าค่ะ แล้วหนูเคยคุยกนะพระจาำพระจำง่งะเจ้าค่ะแล้วหนูก็ตั้งจุดแปลว่าหนูยังยังไม่มีโอกาสที่แบบว่าคือคือปัจช้าเราไปแล้วอะไรเราไปแล้วตอนเนี้ยหนูรู้แล้วว่าสัพยะมันอยู่ที่จิตเราคือที่บ้านเนี่ยจะคุยน้อยมากกับแฟนก็คุยกันน้อยมากเจ้าค่ะเราเราจะใช้อย่างวันเนี้ยหนูใช้จนแบบว่าหนูอ่านคํำถามพระจารย์ทุกวันนะเจ้าค่ะแล้วหนูก็พยายามพิจารณาโดยโดยใช้สิลเ น, นีเจ้าค่ะ เราพยายามที่เราจะน้อมจิตน้อมใจเราเข้าหาคําว่าพุทโธพุทโธเนี่ยแปลว่าผู้รู้ตู้ตื่นผู้บิกบานบางช่วงอะแต่ก่อนเนี่ยจะมีความปิติมากบางทีมันก็จะเป็นความร้องไห้บ้างต่างๆบ้างแต่เดี๋ยวเนี้ยคะ่ะอุะพุทเจ้ามีทางให้เดินหนูก็ไม่สนใจหนูก็ทําอย่างเดียวทำแล้วหนูก็ปล่อยพระอาจารย์บอกวคือคือไม่ได้คิดว่าทั้งดีและไม่ดีจเจ้าคะ่ะคือเราตรวจสอบด้วยสีนทุกวันแล้วเราน้อมเข้ามาใส่ใจตัวเองเจ้าค่ะแล้วธรรมะมันจะพุดขึ้นอะเจ้าค่ะพระอาจารย์ เหมือนที่เวลาหนูไปเจอพระอาจารย์พระอาจารย์บอกว่าให้รักษาอารมณ์เฉยๆไว้ให้ให้ไม่ดีใจไม่เสียใจหนู้ามาพิจารณาดูเรื่อยๆพิจารณาดูจนกระทั่งมันเกิดความเบือ่อแต่ในความเบือ่อมันยังมีความเบื่ออีกนะเจ้าคะ่ะมันไม่ใช่ว่าเราสิ้นสุดแต่ส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นนะเจ้าคะ่ะพอหนู่มีช่วงหนึ่งหนูติดเชื้อในกระแสเลือดมันเวทนาเกิดขึ้นมากพระอาจารย์แต่ว่าในลมหายใจที่เราดูอ่ะมันเหมือนถ้าเราหายใจทางสะดือมันนึกถึงจับุญเจ้าคะ่ะ มันเหมือนมันบี พ, พีมันดอบไปเลยเจ้าค่ะมันแบบมันไม่มีเลยเจ้าค่ะจนเขาจะส่งที่โรงพยาบาลจังหวัดเจ้าค่ะแต่จิตเราจะอยู่ในกุศลเนีเจ้าค่ะแล้วหนูหลังจากนั้นอ่ะหนูก็ตัดสินใจค่อยๆทำํำมาเจ้าค่ะแต่ว่าหนูคือแต่ก่อนเนี่ยเวลาทําอะไรอ่ะหนูก็จะแบบว่าเคร่งเพียทดทําัำแต่ตอนเนี้ยหนูรักษาจิตที่มันเป็น อารมณ์ไม่ใช่ว่าอารมณ์สบายนะเจ้าคะแต่ให้มันมีตัวรู้ทุกขณะจิตนะเจ้าคะ่ะพอเรารู้ปุ๊บเราก็ปล่อยรู้ทั้งดีทั้งไม่ดีต่างก็ปล่อยอยคะ่ะรู้ทำอย่างเนี้ยเจ้าคะ่ะพ อ, อาจารย์ที่ตอนเด็กศึกแต่ว่ารู้ไปเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยิ น, นรู้ว่าว่าว่ายังไงก็คือแต่เพียงแต่ว่าเราแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นคนที่อ่านหนังสือมากเดี๋ยวนี้หนูไม่อ่า ธรรมะมันจะผุดขึ้นเองตอนที่หนูไปอินเดียมารู้ว่าอ๋อธรรมะพระเจ้าคือความเทเป็นเท็เป็นธรรมชาติเรารักษาความเพรธรรมชาติไว้เราไม่ต้องสนใจว่าคืออะไรเรารักษาว่าศีนิสมาธิปัญญาเนี่ยหนูเข้าใจแล้วว่ามันเป็นเครื่องมือที่เราจะท่ามสู่พระนิพพานแต่ว่า เราก็ทำไปเรื่อยๆเราไม่ต้องรู้อะไรเยอะแต่หนูว่าจะอ่านธรรมะที่พระอาจารย์ทุกวันที่พระอาจารย์โพสต์เจ้าค่ะมันจะมีธรรมะเป็นแต่ตางหนูก็มาพิจารณาําทุกวันเจ้าค่ะที่หนูทําเจ้าค่ะแล้วถ้ามีเวลาหนูก็จะไปอ่านในรายละเอียดแต่ว่าสิ่งสําคัญที่พระอาจารย์บอกก็คือเราต้องน้อม น, นําเข้ามาใส่ใจจิตสับปะย่าเนี่ยแม้พระอาจารย์อยู่ไกลอ่ะแต่หนูฟังทุกวันเนี่ยวันเนี้หนูหนูก็เพิ่งจะเปิดซูงเข้ามาได้แต่หนูทําทุกวันนะเจ้าค่ะ หนูไม่รู้ว่าท ำ, ทำถูกหรือทําผิดแต่หมดท่านท่าที่ฟังมาทุกอย่างคร ก, ก็ก็ถูกต้องนะความหมายของเราก็คือให้เราปล่อยวางทุกอย่างมันผู้อย่างเป็นนนิจังทุกขังอนัตตาเจ้าค่ะโยมทำตามที่พระอาจารย์บอกเจ้าค่ะโยมไม่เจอพระอาจารย์หลังจากแม่โยมตายเนี่ยโยมไปคือพระอาจารย์สิบสิบสิบสิบเอ็ดปีแล้วเจ้าค่ะเจ้าค่ะแต่โยมดำมโ โยมเจ้าค่ะอาจารย์จําได้ไหมเจ้าค่ะที่หนูไปกับโรงเหล็กที่ชนบุรีอะ่ะเจ้าค่ะแล้วแม่หนูก็ไปหลังจากที่ที่กลับมาแล้วแม่หนูเสียชีวิตสิ่งที่หนูเห็นนะเจ้าค่ะแม่หนูอยู่ในห้องจับเจ็บตัวยังทําคนไข้อยู่เลยแล้วหนูก็รู้ว่าคนตายก็ตายแล้วคนเป็นก็ยังอยู่เราก็ทําหน้าที่เราไปวันหนึ่งเราก็จะเป็นอย่างนั้นพอถึงวเวลามันก็ไม่มีน้ําตาเจ้าค่ะอาจารย์อตอนแรกหนูรู้สึกว่าแตกใจว่าทําไมเราไม่ ไม่มีน้ําตาเราเข้าใจเราเราเริ่มแต่ก่อนเนี่ยหนูคิดว่าไปวัดอ่ะคือหนูว่ามีความกลัวการผัดผ่านแต่วันนึงเนี่ยเรารู้แล้วหนูพยายามตอนนี้นะคะพยายามทีจะมานาบลณัสนิกรรมฐานแล้วก็พยายามที่จะดึงเจตเราเข้าไปอย่างสมบูรณอะไรที่หนูคุ้นเคยอ่ะหนูไม่กลัวผีหนูก็มองว่าอ๋อในความเป็นผีอ่ะตัวเราอะน่ากลัวกว่าพอาจารย์บอกให้ดูว่ากิเลสตัวไหนเนี่ยมันทันแล้วก็ลงจูซิ่ตีกับมันดูซิว่า มันเป็นยังไงหนูทได้เจ้าคะ่ะชนะบ้างแพ้บ้างเหมือนหลบว่ายหน้าสาบเลยพระอาจารย์แต่ว่าจิตมันจะมีความอ่อนโยนมีความตรงนั้นตัวรู้มันจะมันจะทําให้เราอะ่ะปลอบใจได้แล้วก็ที่บ้านหนูเนี่ยหนูทำเหมือนกุดพระเลยเจ้าคะ่ะแล้วก็มีคนมาปฏิบัติธรรมมาเจ้าคะ่ะคือใครมาหนูก็ส่งปิงโต แต่บ้านหนูหมือนซาลาวัดพระนุยกินเองแคพระพุทธเจ้าเจ้าค่ะหนูก็เลยไปดูไปดูแลพระทุดงหนูก็ไปทําจํามๆตามที่หนูทําได้แต่ว่างานที่เป็นทั้งโลกที่จะไปทําที่ว่าจะหนูทําน้อยลงหนูทิ้งหมดหนูมองว่าทุกคนในการสร้างอาสนะต่างๆแล้วก็มีคนแล้วสิ่งที่ตรงนี้นหนูต้องมาสร้างมือสะอาดสาหรับตัวเองแล้วไม่ห่วงใยใครมากแม้แต่กระตั้งการรักษาคนนะเจ้าค่ะพระอาจารมองได้เท่าที่มองมหรูปธรรถูกไหมคะถูกต้องนะ อ, อนุโมทนา ยังทุกสิ่งทุกอย่างที่โยมได้พูดพยายามปฏิบัติต่อไปนะเจ้าค่ะโยมจะทําตามนั้นเลยเจ้าค่ะโยมได้ที่สัพพายะของโยมแล้วเจ้าค่ะอคือว่าโยมไม่ได้วัดก็ไปนะเจ้าค่ะแต่ว่าเราจะทําวัดจับบ้านเจ้าวันอยู่ที่วัดอยู่ที่ความสงบที่นั่นสงบที่นั่นแหละเป็นวัดนะเจ้าค่ะไม่ได้คุยกับใครเลยเจ้าค่ะเนี่ยวันนี้หนูเพิ่งคุยกับอาจารย์เยอะนอกจากคุยกับคนใช่บางส่วนหรือคนที่เขามาขอความช่วยเหลือแค่นั้นน่ะเจ้าค่ะ ดีมากแล้วม่นจะไปถมที่นี่้าสาธุสาไปที่คนจีบต่อในเวลานยูเอสเออากไอาจารย์ค่ะอาจารย์ได้เจอได้กันหมาแล้วไปงานดีใจไหมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรค่ะก็เป็นไปตามคาดอะค่ะว่าเขาคงมาแน่แต่ว่าถามว่ายมพอชอบไหมก็มันไม่ใช่คนที่เราเลือกแต่ว่าก็คนส่วนใหญ่ ใช่ค่ะก็คนส่วนใหญ่เขาเลือกมาแล้วเขาคงอยากได้ของแปลกมาบริหารประเทศบ้างยังก็คงก็ขอเป็นสีสันคืออะไรจะเกิดก็ก็เราก็ก็เหมือนที่แร่สร้างต่อค่ะเราก็ต้องเสียภาษีเราก็ต้องใช้จ่ายเราก็ต้องกินเราก็ต้อง ก็ดำลงชีวิตไปอะค่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมาตลอดค่ะแต่ก็มีเพื่อนหลายคนที่เขาเป็นฝรั่งอะนะคะเขาก็โพสเป็นจอดำไปเลยในเฟ e บุ o k เขาแบบเขาเศร้าเศร้ามากเสียใจมากเลยอย่างเงี้ยยมก็แบบตอนแรกเขาโพสในเฟ c e ุ o o โยมก็โทรไปหาเขาตอนเช้าอย่เป็นอะไรงโอเคปะฉันเสียใจที่ปะมาดาที่ดีไม่ใช่คนที่ฉันรัก โอ้อหเออไ อ, อ, อ, อเราไปดูว่าบ้านเขาเป็นอะไรนีว่าพ่อแม่หรือว่าคนในครอบครัวอะไรแบบโอ๊ยตายละชีวิตเหี้ยมก็เลยค น, เคนในคนในรายการเขาเอาจริงเขาจังกันมากเรื่องการใช่ค่ะเขาแบบโยมแบบโอ้โหสุดๆเลย อ, ะอ่ะบางคุณก็ติดป้ายน้าบ้านว่าชอบทรัมป์เพื่อนโยมชอบอ่าอีกฝ่ายหนึ่งใช่ไหมคะมก็ไม่กล้าติดป้ายเลยกลัวว่าถ้าติดปุ๊บเดี๋ยวจะเป็นกู แกเป็นส่งคํามในหมู่บ้านก็นเลยต้องใหปิดดีกว่ายังก็แบบโอ้อะไรก็ไม่รู้แต่ก็แบบก็รอดูต่อไปค่ะเดี๋ยวถ้ามันแล้วอย่างไงก็ทําใจให้เป็นการแล้วกันใครมาก็ได้เราไม่ไม่ฝักฝ่ายฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งใช่ค่ะก็ก็มันก็นักการเมืองค่ะพระอาจารย์เราไม่รู้ว่าต่อหน้าเขาแต่รับหลังเขาไปจับมือดื่มไวน์กันเราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะเราก็เลยแบบเออโยมกันเลยเออมันก็ ก่อนจะเล่นละครเราเราก็ได้ใช่ใช่มันก็คือยังก็แบบเอาแต่มันก็คือการละครนะทั้งวันเถอะมีกก็เป็นบทบาทพรั่มการละครดูไปสี่ปีพอใหเราเงินดือนขึ้นกันแล้วอะไรจะเป็นอะไรเงั้นเดือนก็ไม่แน่ใจค่ะขอให้ภาษีลดเถอะก็เขาบอกเขาจะลดภาษีก็หวังว่าเขาจะทําได้แต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะไปลดภาษีสําหรับคนรวยหรือเปล่าไงคะคนที่เขารายได้แบบสูงสูงอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เออเช้าวันเถอะก็ก็ก็ก็แล้วแต่อ่ะก็เลยไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์วันนี้ก็ก็ขอกับถวายมูที่ท่ามูที่ท่าจิตย้อนหลังวันวันวันท้ายวันเกิดเอ๊แต่พระอาจารย์ก็บอกอย่ามาฉลองวันเกิดเอาเป็นว่าก็ขอให้เป็นฉล้องได้ฉลองได้แต่ต้องรู้ว่าต้องมีวันตายตามมาก็แล้วกันใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วยมก็แบบว่าเออก็เออน้อทุกคนก็กลัวตายกันหมดเลยอ่ะแม้แต่ดูข่าวที่เขากลัว โดนหลอกเรื่องจีแสอะไร่าเงี้ยก็เพราะเรากลัวตายเกินไปเนาะเลยไปหลงเชื่อว่าต้องเอาอันนี้มาปกเยอะอังคนอื่นแบบใช่ค่ะวมันก็เลยบอกว่าแต่ก็ดีค่ะถ้ามีข่าวมามันก็ทำให้คนตาสว่างขึ้นบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็นึกถึงคำพระพุทธเจ้าคำที่พระอาจารย์สอนก็พยายามใช้อยู่ทุกวันก็นั่งสมาธิไม่ได้ก็นอนสมาธิไปพะอาคาร่าจารย์ท่าันแข็งแรงค่ะ ไม่ทราบว่าสลินทรอนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่ถ้าเขาไม่เข้าอ๋อโอเคค่ะค่ะได้ค่ะอาจารย์การละกับน์อาจารย์ค่ะถ้ามากลรมนวัสการพระอาจารย์เหมือนกันเจ้าค่ะหนูก็คงดูนี่ลูกไม่ไปโรงไม่อยากไปโรงเรียนเลยค่ะเพราะเขาบอกว่าท้อเยรทวไม่อยากจะอยู่ ลุงบอกว่าวันนี้เป็นวันที่เขาแนะนําไม่ให้ออกจากบ้านไม่อยากไปโรงเรียนหัวเดี๋ยวจะต้องมีการเพราะว่าบ้านอยู่แถวแถวดีซีนี่มันจะต้องมีเหตุการณ์แน่ๆเลยแม่ไม่ควรจะให้หนูไปโรงเรียนพวกนี้อ <c oughs> ันนี้ก็อ้างเหตุผลแล้วค่ะพราะจันทร์ ว, <c oughs> วันนี้หนูก็ก็ม า, ม, <c oughs> มากับพระจารย์นะคะแล้วก็เหมือนกันคะ่ะเขาก็อ่า ก็น้อมถวายมุธิตาจิตยอดหลังแด่พระอาจารย์ด้วยค่ะขอให้พระอาจารย์ธาตุแข็งแข็งแรงนะเจ้าค่ะอ่าสารุ่นอะไรจะเกิดก็ต้องเกิด น, นะทำใจไว้นะเจ้าค่ะหนูมีคําถามนิดนึงค่ะพระอาจารย์คําถามหนูก็คือว่าเรื่องเกี่ยวกับการอธิษฐานจิตอะนะคะพระอาจารย์ที่พระอาจารย์เคยบอกว่าจริงๆแล้วเร า, วาอธิษฐานอะไรไม่ได้หรอกแต่ถ้าสมมุติว่าทุกครั้งที่เวลาที่หนูทําบุญแล้วหนูบอกว่าหนูขออธิษฐานขอพบครูบาอาจารย์ ในทุกพกทุกชาติที่หนูยังไม่สามารถบรรลุได้อย่างนี้เนี่ยคือขอให้ได้พบกับผู้ที่จะมาสอนธรรมะจนเราเราเข้าใจอย่างเนี้ยค่ะเราสามารถอธิษฐานแบบนี้ได้ไหมคะคือทําได้แต่มันจะได้ผลหรือไม่มันอึดอัดอะไรไหมมันเกี่ยวกันไหมคะว่าไม่เกี่ยวกันเลยไม่เกี่ยวกันเลยจะได้พบกันอย่างเนี้ค่ะไม่เกี่ยวกันเลยไม่ไม่อยู่ที่อธิษฐานถ้ามันจะพบก็ต้องพบถ้าไม่พบก็ไม่มันก็ไม่พบมันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัย หนูก็หนูก็ได้ทําบุญเหมือนกับว่าทําบุญหลากหลายอ่ะค่ะเผื่อว่าอนาคตตาการหนูจะปรับการทำบุญนี้ก็อาจจะทําให้เราเป็นคนที่สาชอบทําบุญแล้วเวลาเราไปเกิดที่ไหนแล้วก็จะมักจะไปหาคนที่ชอบทําบุญเป็นเพื่อนกันมากกว่าอ๋อมันก็มีมีโอกาสมากกว่าที่จะเท่านั้นเองใช่ไหมใช่ก็มีโอกาสจะได้พบกับครูบาอาจารย์พบกับพระที่มีธรรมะก็ได้เพราะเราชอบธรรมะเนี่ยค่ะแต่มันก็ไม่ได้แป มันไม่ได้อยู่ที่การขอของเรามันอยู่ที่การกระทําของเราค่ะค่ะก็คือสุดท้ายแล้วก็ปฏิบัติชาตินี้นั่นแหละดีที่สุดอยา่ออยาหยัดีกว่าถเราปฏิบัติแล้วเราก็จะไปเจอกับพวกคนเราก็จะไปหาคนที่ชอบปฏิบัติลวลาเราไปอยู่ที่ไหนเราก็จะคอยสอบถามว่าที่ไหนมีการปฏิบัติบ้างมีอะไรบ้างอย่างนี้อ๋อค่ะพระอาจารย์ค่ะเข้าใจแล้วค่ะพระอาจารย์ค่ะก็วันก็มีแค่นี้ค่ะพระอาจารย์ไ ม, <อ>ไม่ได้รหรอกเด็กทุกคนก็ขอให้เป็น เป็นพระอริยะกันเป็นหมดแล้วขอให้ไปให้พายกันหมดเลยเออเขก็ข<ๆ>อแหละมันไปไม่ได้เพราะมันไม่ได้ไปเพราะขอมันไปเพราะการกระทําหนูคิดว่ามันทําเพื่อที่จะบอกว่าสร้างพลังใจให้ตัวเองอะคะ่ะ ก, ก็ทราบว่ามันเป็นไปไม่ได้แเหมือนกับสร้างพลังใจว่าเออเราจะต้องปฏิบัติปฏิบัติเพื่อให้สร้างเหตุปัใจจัยให้ตรงเหมือนจะได้มีผลอย่างค่ะนะคะเหมือ น, นเป็นสร้างกับก็ต้องอยู่ที่ปัจจัยอัน ต, ตัวนี้อาจจะให้กําลังใจแต่ ไปทํามเหตุก็โอเคไม่เป็นไ ร, รแต่ถ้าขอแล้วไม่ไม่สร้างเหตุก็ไม่ได้อยู่ดีนั่นสิคะคะ่ะถ้าเข้าใจแล้วคะ่ะพาาู้อารุโก็สร้าง<ะ>เหตุค่ะ บ, บ, บาง<ส>บางอย่างมันมันทั้งไม่ได้เรื่องที่เราจะนันดไปเจอกันพรุ่งนี้ที่สี่แยกไฟแดงนีง่มันไม่ได้จะเจอกันหรือเปล่าค่ะอย่างวันนี้เราขับรถไปที่สี่แยกไฟแดงเจอรถ ซ้ายขวาแล้วพวุ่งนี้เราบอกขอให้ไปเจอกันอีกที่เดมมนึกจะเจอหรือเปล่าอืมค่ะเพราบางทีมันมันเป็นเรื่องของเหตุการณ์ที่มันไม่สามารถที่จะทำให้เกิดขึ้นได้แต่ก็ไม่แน่บางทีมันนะจะบังเอิญมนเจอกันอีกที่เดิมก็ได้ใครจะไปรู้อืมค่ะค่ะแต่เรานี้มันไม่เป็นประเด็นสําคัญประเด็นสําคัญอยู่ที่ตัวเรามากกว่าอย่างที่ว่าเราจะพยายามฝึกฝนอบรมให้เรา ปฏิบัติให้มันติดเป็นนิสัยไปกับเราได้ไหรือเปล่านี่จะเป็นตัวสําคัญกว่าเพราะการเราจะบรรลุหรืไม่บรรลุนี่อยู่ที่การกระทำของเราค่ะนะอ่ ะ, ะเข้าใจแล้วคะ่ะพระอาจารย์โอเคสาธุขอบพระคุณพระอาจารย์มากค่ะสาธุเจ้าค่ ะ, คะอาธุคุณหมอณัฐวัฒนเจนคุณหมอ กัตมาสการพระอาจารย์ครับอันนี้เข้ามาฟังธรรมครับก็อนนามาุอจับพระอาจารย์ได้ครับอันเกิดไปไม่มีอะไรนะ น, นี่ไม่มีอะไรครับนะโอเคเดินไปที่คุณนโ อ, โอพีเคน้ำกลับนำ้ำมาสการพระอาจารย์เจ้าค่ะขอบคุณที่แอฟวินด้วยนะคะที่ให้เข้ามาีมเข้าม า, ยมมายอยู่ยังมไม่เด้า่าอาจารย์ เจ้าคะเข้ามาแฮปปี้รันเดียวย้อนหลังเจ้าค่ะพอาจารย์ก็ยังมีตุดเข้าท่านั่งนิ่งอยู่เจ้าค่ะเพิ่มเพิ่มวันเจ้าค่ะพอาจารย์เป็นจากอาทิตย์ละหนึ่งวันเป็นอาทิตย์ละสองวันจ้าค่ะก็งดทานข้าวไปด้วยจ้ค่ะอ่าดีปฏิบัตมาจ้าค่ะสาธุเค่ะาธจ้าค่ะขอท้าพอาจารย์มีท้าขันแขงแรงเจ้าค่ะสาธุาธจ้าค่ะคนละเชิญคำถามของคนลา กราบนมัสการพระอาจารย์มีทั้งหมดสี่คำถามค่ะสองคำถามจากทางเฟซบุ๊กและสองคำถามจากทางย t ท b e พระอาจารย์เจ้าค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ครับการปฏิบัติภาวนาจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติมีความฉลาดขึ้นไหมครับมีเพราะว่าการภาวนานี้มีสองระดับหนึ่งระดับแรกในสมาธิสมาภาวานานันดับที่สองก็คือวิปัสสนาภาวนานวก็คือปัญญา ปัญญาก็จะมีความรู้ความฉลาดในความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นตายรักเป็นอนิจจังทุกขังของนันตตางบบาาาิิิิัััตตถ้ปีชจจ่อ ที่ปไปข่าวเพราะมันปฏิบัตินอกลีดไม่ไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละกลายนึ่นข่าวขึ้นมาสองคำถามจากคุณเดอร์คิลเลอร์แมนขอสอบถามครับผมภาวนาแล้วรู้ทันจิตความคิดมันคิดอะไรไปไหนแต่มันเห็นภาพทางตาแบบมองเห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแบบเห็นไม่ตรงตามจริงแต่แพบเดียวมันก็เห็นถูกมันเป็นเพราะอะไรครับ มันไม่มีเป็นเพ่ออะไรหมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณามันเป็นอาเป็นสิ่งที่ปรากฏเกินมาเองแล้วมันก็จะหลับไปเองให้รู้ทันแล้วก็ปล่อยวางคำถามสุดท้ายก่อนหน้านี้เคยเดินจงกรมแล้วจิตรวมหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่จิตมีกำลังมากอยู่ๆจิตมันก็พิจารณาปัจจัการเองโดยอัตโนมัติ มันไม่ใช่ความคิดนะครับมันพิจารณาของมันเองมันเป็นเพราะอะไรครับก็มันเป็นของมันเองนะจะมาถามทำไมมันเป็นพรล่ะก็มันเป็นของมันเองคําถามหมดแล้วเจ้าค่ะโอเคก็เท่านั้นแหละนะมันจะเป็นอะไรก็พิจารณาว่ามันเป็นตายรับไปก็หมดเรื่องมันเป็นดนิจจามันไม่มีเกิดม่ดับมันเป็นอนัตตามันมีมันจะไม่มีใครเป็น ทาให้มันเป็นขึ้นมามันเป็นยองมันเองนมีเหตุมีปัจจัยให้มันเป็นมันก็เป็นโอเคนะวันนี้เวลาก็หมดพอดีสําหรับคือคําถามหมดพอดีเวลาก็ใกล้จะหมดก็คิดว่าข อ, ขอเอาแค่นี้ก่อนสําหรับวันนี้ก็อขอให้ท่านจงนําัาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไ ป, ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถอด